อาจารย์ครับกล่าวรักชการครับผมฉลองครอนกล่าวอาจารย์อาจารย์ทา้าขันแข็งแรงนะครับยังพอไปได้ครับผมอาจารย์ครับงั้นมันนี้ผมเริ่มรายการเลยนะครับอาจารย์มี เ, เพื่อนๆมารอ ก, กันประมาณห้าร้อยคนนะครับตอนนี้คําถามแรกของผมครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงทั้งโควิดอกลัวเรื่องวัคซีนกลัวผลข้างเคียงกลัวติดโรค แล้วก็หยุดงานไปนานก็เศรษฐกิจฐานน้ก็แย่ไปหมดครับพระอาจารย์ครับก็เลยทุกคนตอนนี้กําลังฟุ้งซ่านกันอยู่ผมก็เลยอยากกลับลยนถามพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับพระอาจารย์ครับคือความฟุ้งซ่านนี่ก็จัดการได้สองระดับด้วยกันระดับแรกคือจัดการให้มันหยุดชขี้ค่าว เหมืนคุณหมาเวลาเกิดอุบัติเหตุ<ฆ>ขั้นตอนก็ต้องหยุดการไหลของเลือดก่อนอแล้วค่อยมารักษาส่วนอื่นต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่<ฆ>มีความคุ้งซ่านนี่ก็เป็นเหมือนรถที่วิ่งองเขารถพีเดียของเขาที่ไม่มีที่ไม่ได้หยเบรกมันก็จะไม่หยุดตรงนี้อยากใ้มันหยุดก็ต้อง ต้องเหยียบเบรกใจของเราก็เวลาสร้างกับเหมือนความคิดนี่มันก็นหมุนเตี้ยเตี้ยเหมือนกับล้อรถยนต์การที่จะให้ล้อรถยนต์น ห, หยุดหยุดหมุนก็ต้องเหยียบเบรกการที่จะให้ความคิดเราหยุดก็ต้องใช้สติเช่นทุทธานุสติให้เราเล่าถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธมันยาามท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป จนกว่าจิตจะหยุดคิดหายฟุ้งซ่านถ้าตั้งใจจริงๆไม่เท่าไม่กี่นาทีก็หยุดได้แล้วตั้งใจแล้วดูผลมาก่อนว่าถ้าใช้พุทโธแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดแต่ถ้าเราไม่เคยใช้แล้าจะลังเลสงสัยตั้งแล้วก็ไม่มั่นใจก็อาจจะหยุดยากแต่ถ้าเคยใช้มาแล้วนี่พอจิตฟุ้งซาน ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่กี่นาทีมันก็หยุดคินได้ครับอาการฟุ้งซ่านเหมืกันก็จะหยุดชั่วคราวแต่ถ้าเราเผอไปคิดใหม่เราหยุดพุทโธลบปล่อยให้คิดใหม่เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านได้นั้นหลังจากที่เราสามารถหยุดความฟุ้งซ่านได้ด้วยสติแล้วท่านต่อไปเราก็ต้องหยุดมันอยาออน่างถาวร โดยการใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงความทุ่งสร้างของเราว่ากําลังทุ่งสร้างกับเรื่องอะไรนั่นทุ่งสร้างกับเรื่องสร้างกายของเราชีวิตของเราว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะอยากขาดแคลน mm. mm. ก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์อยู่ว่าแล้วชีวิตของเราความเป็นจริงมันเป็นอย่างไร มันเที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะอยู่ดีไปตลอดได้หรือเปล่ามันจะมีกินมีใช้มีอยู่มีอะไรไปได้ตลอดโดยที่ไม่เจ็บไม่คายได้หรือเปล่าถ้าเรามองไปดูความเป็นจริงร่างกายมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพของมันแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องเกิดขึ้นตามลำดับและในที่สุดมันก็ถึงความตาย ไม่ว่าจะเป็นไขายกระตันจะเป็นคนมากมีหรือคนที่ตกงานคนไม่มีข้าวกินความจริงของร่างกายมันก็เป็นเหมือนกันหนะแล้วถ้าเราไม่อยากให้ความจริงของร่างกายปรากฏขึ้นใจของเราก็จะเครียดใจของเราก็จะฟุ้งดิ้นหาทางออกกันหาทางแก้กัน ถ้า แ, แก้ยังไงถ้าแก้ได้มันก็เป็นการแก้แบบชั่วคราวเป็นพรพักตร์ไป็นช่วงนี้อาจจะแก้ให้โลกมันหยุดระบาดแล้วก็กลับมาทํางานทําการอะไรไปแต่น่างกายมันก็เดินต่อไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายของมันอยู่ดีแล้วก็ต้องไปเครียดกับมันต่อไปเวลาที่ ไม่สบายที่มาปรึกษาหมอเนี่ยมีคนติดตามหมอเยอะแยะก็เครียนเรื่องกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่อยากจนะให้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วจะให้มันหายมันหายรักษาโรคนี้หายเดี๋ยวก็มีโรคโรคใหม่เข้ามามันจะต้องเจอโรคไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะต้องสิ้นสุดลงด้วยความตาย นี่คือความเป็นจริงของร่างกายที่เราต้องวิเคราะห์แล้วยอมรับสภาพถ้าเรายอมรับสภาพว่ามันต้องเจ็บไข้ได้ปวดมันจะต้องตายมันจะต้องแก่ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงนี้พ้นไปได้แล้วจิตเรายอมยอมรับความจริงอันนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในขณะที่ยังทำได้อยู่ รักษาโรงได้ก็รักษาไปรักษาร่างกายได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันถึงขีดที่มันไม่สามารถที่จะไปรักษาได้ไปทำอะไรได้มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้ความเครียดก็จะหายไปดังที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามัน สอนตอเองอยู่เรื่ยๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ปวดเป็นธรรมดาล่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ปวดไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาให้สอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจมันจะค่อยยอมน้อมเข้ามารับความจริงจะไม่ต่อต้านจะไม่ฝืนความจริง ถ้าไม่ฝืนตามจริงมันไม่เครียดที่มันเครียดเพามันฝืนมันไม่อยากให้เกิดขึ้นฝืนยังไงต่อสู้ยังไงต่อต้านยังไงก็สู้มันสู้ความจริงไม่ได้ถ้า ใ, ใครยอมรับความจริงได้ก็จะไม่เครียดใครรับความจริงไม่ได้ก็จะต้องเครียดไปเรื่อยๆครับ น, นี่คือเหตุการณ์ของความเครียดที่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บใครได้ป่วยเรื่องการ ตาเรื่องการอดอยากขาดแคลนครับผมผมแต่ฟังดูฟังดูก็คือสรุปก็คือมีเรื่องของสติกับปัญญาใช่ไ้ยครับอาจารย์<ช>เรื่องของปัญญานี่ดูจะยากนะครับอาจารย์ครับต้องพัฒนาใช่ยากเพรเราไม่เคยฝึกกันเราไม่เคยคิดกันแต่ถ้าเราฝึกเราคิดแล้วมันก็เหมือนอย่างหนึง่งเหมือนกับวิชาบอว่าเนี่ยเวลารเริ่มต้นเรียนเขาบอกว่ามันยากเล้วเกินครับ เราเรียนอะยรั้งเยอะแยะตั้ง6กปีถ้าเรามีความเพียรความพยายามเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เรียนจบได้แล้าสามารถมารักษาโรคภัยใข้เจ็บอะไต่างๆได้วิชาของพระเจ้าก็เหมือนกันก็เป็นวิชาทางด้านจิตจิตศาสตร์จิตเวชวิธีรักษาจิตใจไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆด้วยการรู้จักควบคุมใจ มาให้ฟุง้งซ่านแล้วพอไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องสอนใจสอนความจริงให้กับใจพอใจรู้ความจริงใจก็จะปรับใจไปปรับตัวมันไปเองโดยธรรมชาติมันจะไม่ฝืนเพราะมันรู้ว่าฝืนไปก็ทุกขไปเปล่าๆเครียดไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยนี่คือวิชาทางาศาสนาพุทธ เกี่ยวกับการดูแลรักษาจิตใจนะครับวิธีก็คือเราก็คิดไปเรื่อยๆนะครับอย่างคิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งก็ต้องคอยเตือนเราไม่ยอมคิดกันเรากลัวมันคิดว่าถ้าเราคิดเหมือนสาดแช่งตัวเราเองผมจริงมันเป็นความรู้ที่เราจะต้องคอยเตือนใจให้มันฝังมยูในใจเราแล้วเราจะได้ปรับใจของเราเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ว่าเราปรับใจเจรียมรับกับเหตุการณ์ได้ไม่สืนมันก็ไม่เครียดที่มันเครียดเพราะมันสืนทามันไม่อยากให้เกิดขึ้ น, น, รนครับเอนี่ ค, คขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ขออภัยพระอาจารย์นิดนึงครับพอดีแบตเตอรี่จะหมดหรือที่ามตอเริ่มร้อแล้วครับตอนี้เรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์ครับอย่งั้นผมขออนุญาตพระอาจารย์อ่านคําถามจากเพื่อนๆนะครับ แต่คําถามจะคุณวีนาครับกลาวขออนุญาตเรียนถามผู้อาจารย์ว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ตายจะไปเกิดภพภูมิใดคะเข้าไปในโลกนรกที่ลึกที่สุดเนะี่ยเพราะว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดเขาเรยกว่าอนัตตริยกรรมม B5 ชนิดด้วยการฆ่าพ่อหนึ่งฆ่าแม่ห่งฆ่าพ่ออล า, านทำให้พระพุทธเจ้าห่อเรือนแล้วทำให้สงแตกแยกพกระพุทธเจ้าเป็นกรรมที่หนัก ที่จะพาให้ เ, เกิดในในนรกคุ้มลึกที่สุดคําถามจากคุณสมพรครับถามพระอาจารย์ว่าคนทําฟาร์มหมูเลี้ยงหมูขายแต่ไม่ได้ฆ่าหมูเองจะเป็นบาปไหมคะจะตกนรกไหมคะไม่บาปหรอกถ้าไม่ได้ฆ่าเองแต่เป็นอาชีพที่ ส, ส่งเสริมไม่ผู้อื่นเขาได้ฆ่าที่ว่าไม่ใช่เป็นสัมมาชีพทางศาสนาศาสนาไม่ ส, มส่งเสริมให้ชาวพุทธเราทำอาชีพแบบนี้ นอกจากขายสิ่งที่มีชีวิตค้าขายสิ่งที่มีชีวิ ต, าาวตก็ขายสุรายาเมืขายสารพิษต่างๆหรือขายอาวุธหรือกับดักสัตว์ต่างๆเป็นต้นอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการฆ่าฟันคำถามจากคุณสุธีครับกราบนำพัสการหลวงพ่อครับบางคนปรารถนาการบวชแล้วก็ได้ออกบวชออกปฏิบัติจริงๆ แต่หลายคนก็ไปได้ตลอดลอดฝั่งแต่หลายคนก็ไปไม่ถึงฝั่งแต่การที่จะก้าวไปให้ถึงฝั่งนั้นต้องทำอย่างไรบ้างครับหรือจะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเป็นตัวหนุนว่าเป็นตัวหนุนนำเพื่อก้าวไปถึงฝั่งนั้นคือแดนพ้นทุกข์อย่างถาวรครับกาบสาธุครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าต้องเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดี ปฏิบัติดีแปลว่าปฏิบัติเต็มที่เหมือนนักศึกษาที่เรียนดีเรียนดีได้เกรดสี่ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เรียนว่าเรียนดีผู้ที่ต้องการจะเป็นบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลก็ต้องสุปฏิปันโนปฏิบัติดีเรียนดีด้วยเรียนก่อนแล้วก็ปฏิบัติทําให้เต็มครบให้เต็มร้อยอย่าบกพร่องในหน้าที่ของตน เรียกว่าปฏิบัติดีผู้ชุปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติตรงอันนี้อาจจะหมายถึงตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการไม่ยกเลิกพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้เจริญสติทั้งวันให้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกว่าปฏิบัติตรงอยาไปปฏิบัติ ตามใจชอบแล้วไม่ชอบอย่างนี้ก็ไม่ปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ปฏิบัติเนี่ยเลือกปฏิบัติเนต้องปฏิบัติตรงต่อคําสอนว่าสามยาญาติปฏิปานองปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวดอย่าไปหลงกับรากสการะหรือผลข้างเคียงที่อาจจะได้จากการ่เป็นผู้ปฏิบัติดีดปฏิบัติชอบอาจจะมี ได้ราบได้ตำแหน่งวันนี้มีการรอบพนระให้ยศให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณให้เป็นอะไรต่างๆน่าแต่เหตุผลถ้าไปหลงกับราบยศราบส ก, การละมันก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการกดนนะุจเพราะราบส ก, การลวมันเป็นกับดักของความทุกข์นั่นเอง อ้าใครไปติดลาภยศก็ต้องไปติดกับความทุกไม่ใช่หนีออกจากความทุกข์ต้องไม่ไปหลงติดกับลาภยศมีศรัทธาญาติโยมถวายปัจจัยเงินทองเยอะแยะเลยเอาเงินไปซื้อของอะไรต่างๆเราคงเคยได้ยินพลาดดังๆที่มีเครื่องบินส่วนตัวมีรถเบนซ์มีอะไรนีแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติญาญาสุปฏิปันโน ในปฏิบัติเพื่อบรรลุพ้นจากความทุกผู้ปฏิบัติอยู่พ้นจากความทึกมักจะเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่ยินดีในลาลาสักการะอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีอะไรที่เหมือนกับทางชาวโลกเขาดีกันอยู่แบบขอทานญยาญยปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง อย่าปฏิบัติผิดผิดอย่าผิดศีลอย่าอย่าไปเอามิจฉาสมาธิมิจฉาสติเป็นต้นเรื่องว่าปฏิบัติผิดเอาสมาสมาธิสมาสติสมาทิฏฐิเป็นต้นเรียกว่าปฏิบัติชอบอ น, นี่คือหลักของการที่จะได้บารู้ถึงมรรคผลนี่ตานได้ อยู่ที่สี่หลักอันนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ที่เราสวดกันชาวพุทธเราสวดกันคือสังขารนุสติอุจุป ส, สติสุป ฏ, ฏิปันโนอุจุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนคนเหลนี้นะที่พระเจ้าบอกสมควรต่อการทําทักษิณาสมควรต่อการกราบสการะสมควรต่อการถวายสิ่งตา่างๆ เพราะท่เป็นผู้ที่เป็นบุคคลสี่ระดับสี่คู่สีระดับคือพระโสดาบรนพรสกิดาพระนาคานาคาลาเรื่องนี้วันนี้ผมเพิ่งเห็นอินโฟกราฟิกพระอาจารย์ที่เขารูปพระอาจารย์แล้วก็เขียนว่าเป็นคำพูดองพระอาจารย์นะครับผมก็ตั้งแต่บวชวันนี้ยังไม่เคยคิดว่าจะศึกเลยมันไม่มีเวลาคิดมันพุทโธตลอดเวลา มีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาใจมันสงบอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขมันจะไปศึกษาอะไรนียครบับพูดกับอาจารย์ครับผมวันนี้เพิ่งจะเผยแพร่ในทํามาบนเขาครับผม อ, อย่างนี้บางีลูกศิษยเขาไปอาจเจอของเก่ า, ขาเขาเขไม่เคยเห็นเขาบ้ามาคูดครับผม <laughs> อาจารย์ครับจากคุณชัดชพงครั บ, ก, บการนักวิชาการถ้าเราไปรับปากเขาแล้วแต่มีเหตุให้ทําไม่ได้ ถือว่าผิดศีลข้อสี่ไหมครับอ่ามันก็โกหกก็สิเห็นไหมพูดพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างไม่พูดแล้วไม่ทําตามที่เราพูดก็เสียสัจจะเป็นการโกรหกอย่างเมื่อเช้าเมื่อสองวันก่อนมีสรรัทา ย, ยานอยู่คนหนึ่งถามว่าเขาเคยบูดไว้ว่าถ้าเขาได้สิ่งที่เขาบูดเขาจะกินเจตลอดชีวิตเราตอนนี้กำลังาถามว่าถ้าเรากินเพียงวันสองวันนี้เราถือว่าเราผิดหรือเปล่า เพราะเราก็ไม่ได้บอกว่าตลาดชีวิตนี้กินแบบไหนเพราะเราบอกไม่รู้หล่ะคุณคุณไปบนยังไงคุณก็ต้องต้อเป็นแก้วของคุณเองเพรเราเวลาบนเนี่ยมันมแจะโอ้พูดหวานปากเนี่ยพอได้สิ่งที่ตอนในบนนะทีนี้มามาอ้างเหตุแล้วทำไม่ได้บ้างติดนุ่มติดนี้ขึ้นมาบ้าครับไม่มีสัจจะ คุณปิยบุตรครับนักประศกดิ์ครั บ, ารรบอาจารย์ผมขอสอบถามครับความประหยัดความตระหนี่และความโลภสามคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับคือความโลภหมายถึงต้องการมากกว่าที่ความจําเป็นบังคับให้เราต้องมีเช่นปัจจัยสี่มีสำหรับผ้าที่มีผ้าต่อตายหนึ่งชุดให้กระพลนะ้วถ้ามากกว่านั้นก็ถือว่าโลภนะส่วนความประหยัดก็คือ การใช้ของที่ใช้ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องแพงต้องหรูหราเช่นเสื้อผ้านี้มีหลายราคาใช่ไหมมีตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปเรื่ึยแสนก็ได้แต่มันก็เป็นเสื้อผ้าไว้สําหรับนุ่งหบการการจะประหยัดก็คือเราถือหลักการใช้สอยเป็นหลักว่าถ้าเสื้อร้อยบาทก็ใช้สอยได้ทำหน้าที่ปกปิดร่างกายได้เหมือนกับเสื้อราคาแสนก็ใช้ราคาร้อยดีกว่า เรื่องอะไรต้องไปเสียเงินเป็นแสนนี่เรื่ประหยัดความตนหนี้นี่เป็นความที่เหนียวคือถึงแม้ว่ า, า, จ, าจะจะคืออยากจะใช้ของที่ถูกที่สุดแล้วก็อาจจะคุณภาพไม่ดีไม่สามารถทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับที่มันควรจะทำก็ก็ยินดีไม่ยอมเสียดายเงินง่าย อันนี้ตาดจะประหยะัดประหยัดมีเหตุผลที่ว่าถ้าเป็นของที่ใช้สอยได้ทําหน้าที่ของมันได้ก็โอเคแต่ถ้าตนีนี่หมายถึงถึงแม้ว่าของที่มันทําหน้าที่ได้มันอาจจะแพงกว่าของที่มันอาจจะทําหน้าที่ไม่เต็มที่ก็เอาของที่เร็วกว่า น, นั้นเพรมันถูกกว่าเช่นอาจจะไปซื้อของเก่าเลยของที่ใช้แล้วมี ปะมีอะไรขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นความตนหนีแล้วก็อีกอยาความความตันหนีนี่หมายถึงความที่หวงแหนไม่ยอมแบ่งปันให้ให้กับผู้มีอะไรก็ไม่ยอมแบ่งปันถึงเรียกว่าตนันะครับหวงเงินพูดง่ายๆเลยครับความตันหนีนี่คือความหวงเงินไม่ยอมทําทานถ้าถ้ า, ถา็นความตันหนีแล้วจะไม่ทำทาน จะเสียได้เงินไม่อยากให้คนอื่นถ้าให้มันต้องมีมีผลตอบแทนถึงจะให้กาจะบัะให้ฟรีๆนี่ไม่มป็นวันได้ครับ น, นี่วาจานิคําถามจากคุณวริยาครับการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นมันมาพร้อมกับอาการใจสัน่นแต่ก็พยายามรวบรวมสติแล้วนิ่งมามาฝึกตามที่พระอาจารย์สั่งสอนมันยังไม่ไปไหนเลยเจ้าค่ะ ว่าเราฝึกไม่เต็มที่นั่ น, นเองนอนหยุดพุดโทโธเราหยุดสติสติยังมีกําลังไม่พอควรจะควบบังครั้ให้มันเท่าพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้อาจจะต้องใช้การสวดถึงชั่วโมงอะไรขึ้นมามันถึงจะสมองได้คําถามจากคุณสรยุทธครับการนพัฒการพระอาจารย์เคยได้ยินว่าหลวงปู่แหวนพ่าตัดหัวเขาโดยไม่ใช้ยาชาและไม่ใช้ยาสลบ สมาธิขั้นสูงสามารถทําให้ร่างกายอยู่เหนือความเจ็บปวดได้หรือครับสาธุครับได้ทรับท่านมีมีสมาธิมีฌานใจของท่านจะเป็นอุเบกขาไม่ว่าความเจ็บปวดของร่างกายจะปวดขนาดไหนท่านก็ทนได้ท่านไม่ไม่เดือดร้อนคุณอดิษฐร์ครับถ้าเราบังคับคนอื่นทําบุญโดยไม่เต็มใจเราจะบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราอจะทําให้เขาต่อต้านหรือว่าจะไม่อยากที่จ ะ, ะทำํทำการทํำบุญนี่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามอธัธยาศัยบองบุญได้อย่าอ่าไปบังคับเขาเช่นบอกว่าปีนี้จะไปเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นที่วันนั้นวันนี้ผูดได้ที น, ทนั้นี้แต่อย่าบอกอย่าเชิญอย่าขอร้องอย่าอะไรทั้งนั้น แล้วอย่ายืน่นซองเพราะการยื่นซองเนี่เป็นเป็นเหมือนการบังคับไปโดยโดยทาง อ, อ้ไม่ได้พูดด้วยวาจาแต่ยื่นซองนี่ก็ใช่นะก็ถูกบังคับแล้วคนเราบางทีเขาไม่พร้อมบางทีเขามีภาระอย่างอื่นที่เขต้องทําไม่พร้อมที่จะแบ่งเงินไปทําดูนั้นไม่ควรที่จะไปบังคับไปพูดในเชิบงบังคับบอกบุญได้เพราะบางทีบางคนเขาบางที เขาไม่รู้จะไปทําบุญที่ไหนพอรู้เพื่อนมีคนเชื่อถือได้หมดจะไปทําบุญที่นั่นที่นี่ถ้าเขาไปไม่ได้ก็ว่า จ, จะฝากหนึ่งไปทําแล้วเขาก็จะได้การบอกบุญ น, นี่เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะไม่สามารถทําบุญได้ด้วยตนเองได้มีโอกาสได้ทาบุญแต่ไม่ควรบอกในเชิงเหมือนกับเป็นการบังคับเขาอพี่ต้องมานะ่าต้องช่วยกันหน่อยนะ อานนี้งานใหญ่คุณนี่คุณใหญ่นะแล้วคนี้ไม่ควรเพราะเป็นการไปบังคับเขาไม่บาปแต่ไม่ไม่ควรเพราะจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดจใจและอาจจะเกิดการต่อต้า น, านเบื่อหน่ายศาสนาขึ้นมาได้ในช่วงในช่วงช่วงกระถินเนี่ยบางคนนี่นับสองเป็นน้อยอะไรอยางเงี้ยคนนึมาสองคนนี้ก็มาสองมันไม่ไหวนั่นเนี่ยค <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> ผมก็ได้มาเยอะครับแต่เราก็ทําตามตามที่เราตัางทามันเองครับอาจารย์รับน้ำก็ได้ถ่าจำพิงก็ต้องก็ใส่บาทสองบาทไปแล้วกันใส่ห้าบาทสิบาทไปทั้งสองคำถามจากคุณเปตองครับครับสหรับใกล้ช่วงเทศกาลกินเจเราชาว พ, พุทธสามารถกินเจในช่วงเทศกาลกินเจแต่เจตนาคือกินเพื่อสุขภาพได้ไหมครับ ไา้ศาสนาไม่ห้ามกินแบบไหนก็ได้กินเจก็ได้กินเนื้อสัตว์ก็ได้ที่เราห้ามนี่คือการกระทําคือการฆ่าสัตว์ถ้าเรากินอาหารที่มันถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่มันตายแล้วเราไม่มีส่วนการฆ่าก็กินได้แต่ถ้าเราอยากจะได้สุขภาพดีที่ว่าเนื้อสัตว์นี้มีพิษต่อร่างกายเราก็กินบางสาัมผัสได้กินเจได้ไม่มีป็ปัญหาเลือกกินได้ แต่คุณเก่งครับการน้ำพระสการพระอาจารย์ค่ะทุกจากการมีลูกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยหลุดพ้นทุกได้เลยค่ะเราทุกเพราะว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรารับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เล่าเรืงเขาไปตามสภาพของใครเราจะไม่ทุกอาจจะดีกว่าเด็กที่ที่ปกติที่เด็กที่ปกติอาจจะขอนู่นขอนี่นอะไรมากมาย เด็กที่เป็นเด็กพิเศษนี่อาจจะอาจจะ เ, เป็นเด็กแรกที่ไม่โตแล้วก็นีเข้าไปตามสภาพของเขาเท่านั้นเองอาจจะอาจจะง่ายกว่าอาจจะไม่ไม่ยุ่งยากเหมือนกับเด็กที่ไม่เด็กที่ปกติว่าเด็กปกติเนีน่ยจะขอนู่นขอนี่ทํานูน่นทํานีน่ถ้าไม่ให้กางอ่นอนเด้งล็อกอะไรต่างๆแต่เด็กพิเศษนี่ก็ อ, อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น เาก็เพียงแ่อาจะได้อยากจะเล่นอะไรของท้องที่เล่นเหมือนเด็กเด็กทารกเด็กพิเศษจะเป็นเหมือนเด็กทารกคือไม่ไม่เจริญเติบโตทางด้านด้านจิตใจจิตใจไม่มีความสามารถที่จะพัฒนาสติตปัญญาขึ้นมาได้เราก็เล่นเขาไปตามสภาพของเขาไปขอโทษนัถ้าพูดพูดง่ายเมื่อกี้เหมือนกับเลี้ยงหมาตวัาตวหนึ่งแล้วลี้ยงหมาเราก็ไม่ป ไ, รรมไมปหวัรรงอะไรจากหมามันมากใช่ไหม เราให้ข้ามันกินให้อะไรมันไม่สบายก็พาไปหาหมอให้ที่อยู่มันเด็กพิเศษก็เป็นแบบนี้มันเป็นกรรมของเขาที่เขามามีวิบากกรรมที่ทำให้เขามาเป็นเด็กพิเศษซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปไปแก้กรรมของเขาได้มาทำได้ก็เพียงแต่ช่วยเขาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีโรงเรียนที่ช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ คือจะมีการฝึกสติฝึกปัญญาให้เด็กเหล่านี้ให้ต่อไปบางทีเขาสามารถขึ้นตัวเองได้แล้วก็ความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราอยากจะได้ลูกที่เป็น ป, ปกติพอเราได้ลูกที่ไม่เป็นปกติขึ้นมาเราเพ่เลยทุกข์แนั้นเองแต่ถ้าเรายอมรับว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราดิเราเราเราทำเองเราเป็นผู้สร้างลูกคนนี้ขึ้นมาเอง เมื่เขาเกิดมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเลงดูเขาไปอย่าไปหวังให้เขาเป็นอย่ะไแล้วก็จะไม่ทึงกับเขาคือต้องยอมรับเขาตามสภาพนั้นเท่านั้นเองใช่จากคุณแว่นโซดาครับคุณธรรมขั้นสูงสุดของผู้บรรลุ ถ, ถึงขั้นอรหันต์คุณธรรมสามารถเสื่อมหรือตกต่ําลงได้หรือไม่เจ้าคะเช่นหากทําทผิดศีลข้อเมตุนธรรมคุณธรรมความเป็นอรหันต์จะเสื่อมลงหรือไม่เจ้าคะ อ๋อท่านไม่ทําผิดศีลแต่อย่างไรท่านมีสติปัญญาสมบูรณ์น้อยเอร์เซนตท่านจะไม่มีการทําผิดศีลอย่าว่าแต่ผ้าอะไรแม้แต่ผ้าโซดาบันขึ้นไปนี้ท่านก็ไม่ทําผิดศีลภาริยาบุคคลทุกขันโสดาบันสกิตดาคานาคามีและอ้าหลนนี้ท่านจะไม่มีวันทําผิดศีลมันถึงทําให้จิตของท่านไม่เสื่อมโซดาบันภาริยบุคคลนี้จะไม่เสื่อมลงมาสู่ระดับต่ำ มีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดครับเพราะท่านมีสติปัญญาที่คอยรักษาจิตใจของท่านไม่ให้หลงสับจากคุณสักดาครับจากพระอาจารย์ผมวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเพราะตอนนี้สุขภาพย่ำแย่และกลัวเป็นนู่นเป็นนี้จิตใจกลัวไปหมดกลัวลูกไม่มีที่พึ่งกลัวภรรยาลาบากถ้าไม่มีเราครับเ อ, อไม่ทําให้ไม่คิดว่าต้องตายกันหมดมั่งนะ มีใครไม่ตายบ้างคิดอย่างนี้บ้างสิเพราะที่สุดก็ต้องพบกับความตายด้วยกับทุกคนเลยแต่ว่าใครไปก่อนใครไปหลังเท่านีนน้ไม่ต้องไปกังวลหรอกคือคิดคิดมากเกินไปคิดอยู่ในปัจจุบันก็พอตอนนี้พยายามรักษาตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของเราถ้าที่เราจะทําได้ถ้ามันเรื่องเป็นสุดวิสัยมันก็ช่วยไม่ได้เขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองต่อไป ถ้าก็ดูได้เขาก็อยู่นานหน่อยถ้าก็ดูล้ดูไม่ได้เขาก็าอยู่ไม่นานเขาก็ตามต่อไปในที่สุดแต่ไม่แม้ว่าจะชา้า จ, จะเร็วในที่สุดเขาก็ตามเราไปเลยครับเอาตายก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายตามต่อไปทุกคนไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดเวลาคิดถึงความตายแบบนี้วมันจะทําให้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่คาถามจากคุณสุรศักดิ์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ วันนี้ให้คนงานรื้อลังนกเศษใบไม้เยอะบาปไหมครับขออโหสิกรรมดีไหมครับก็เหมือนคนเข้ามารื้อบ้านเรานะดีไม่ดีพิจ <c oughs> ิตรโอเขาโอกเราเดือรับเปลังนกก็เป็นบ้านของนกใช่ไหมถ้าเกิดทางรัฐบาลหรือทางเจ้าหน้าที่บอกาต้องรื้อบ้านคุณเพราะขวางไะทําถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณค่าลยกหยัดร้อน แต่สมาธนี้ก็มีการเวียคืนก็มีการชดเชยให้มันเทาความเดียร้อนนด้ทำไมเราไม่ทำนามใหม่ให้นอกเขาอยู่แล้วย้ายย้ายหลังให้ไปอยูที่คุณพัติตาครับกับนรัตการค่ะถ้าบิดามารดาเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เรายังฝังเห็นท่านอยู่เป็นประจําเพราะว่าจิตใต้สํานึกเรายังคิดถึงท่านหรือเปล่าคะคงจะคิดเราคงจะคิดถึงท่าน แม้กระทั่งไม่ใต้สำนึกเราก็คิดอยู่เรื่อยๆบางคนในความรักความคิดถึงวันนั้นคนนี้ก็คอยคอยคิดอยู่เรื่อยๆตอนนอนหลับมันก็ออกมาเป็นความฝันได้คําถามจากคุณนิรานามครับการนั่งสมาธิเท้าวขวาต้องทับเท้าซ้ายตลอดสลับได้หรือเปล่าครับคือมันเป็นถ้าสแตรฐานของการนั่งสมาธิขวาขวาทับซ้าย แต่ถ้าเราต้องการจะซ้ายทับขวาก็ไม่มีมมใครหรับคือแต่เวลาที่นั่งท่าใดท่าหนึ่งในขณะทําสมาธินี้ก็ไม่ควรสลับไม่ควรขยับร่างกายแต่ถ้าครั้งนี้นั่งขวาทับซ้ายไครั้งหน้าอยากลองซ้ายทับขวาก็ได้ไม่มีปัญหา ไ, ไม่มีข้อหา้ามใดคำถามจากคุณพัฒน์เอพครับกล่าวธรรมวัฒ ก, การพระอาจารย์เจ้า ข, าขาขอเรียนถามว่าในฐานะลูก ถ้าต้องดูแลแม่ที่ไม่เคยรู้สึกมีความสุขเลยแม่แม่จะคิดและพูดแต่เรื่องเครียดและเป็นทุกข์ตลอดทุกวันเราจะมีวิธีรักษาใจเราอย่างไรคะก็เป็นเรื่องของเขาสิขเขาเจะทุกข์ก็เหมือนกัเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ในเวลาเขาไม่สบายเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้นั่งกายห้ามแม่เขาไม่สบายเวลาล่างกายเขาขเป็นหวัดเนื้อเป็นนอกอะไรนีมันก็เป็นเรื่องของเขา ใจของเขาก็เป็นเหมือนร่างกายใจของเขาจะใจของเขาจะทุกข์มันก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรก็ปล่อยเขาทุกข์ไปเนื่องจากว่าถ้าเขาสนใจอยากแล้วหาวิธีดับความทุกข์เราต้องอาจจะแนะนําให้เขาหาเขาหาธรรมะแตถ้าเขาไม่ไม่ถามไม่ปรึกษาเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาจากคุณปัญชมาครับ เคยไปเลเซอร์รักษาสิวที่ใบหน้าเจ็บมากค่ะเจ็บจนถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าหมออยากทําอะไรก็ทําไปคงไม่ตายแปลกที่ความเจ็บนั้นเบาบางลงจนรู้สึกเฉยเฉยตอนนั้นยังไม่เคยปฏิบัติทําเลยค่ะอยากถามว่าต้องทําอย่างไรเมื่อเราต้องเจอกับความเจ็บอีกและให้ความรู้สึกเฉยเฉยนั้นเกิดขึ้นเร็วๆต้องฝึกปฏิบัติแบบไหนคะกราบสาธุค่ะก็แบบที่คุณเคยปฏิบัติน่ะคุณถ้าปลมนไปล่อยมันปล่อยวางไงเพราะคุณปล่อยวางความใจของคุณก็จะกไม่ปก แต่ไม่ขยายความเจ็บให้มันมันใหญ่โตความเจ็บมันเท่านั้นแ่ละแต่ใจเราไปขยายให้มันรู้สึกเจ็บมากขึ้นเพราะใจเราต่อต้านไม่อยากให้มันเจ็บยิ่งต่อต้านมันยิ่งรู้สึกเจ็บใหญ่ดังนั้นอยากไปต่อต้านปล่ายมันไปมันจะเจ็บเข้าฝ่ายมันเจ็บไปแล้วความความเจ็บจะไม่ใหญ่โต คุณวัชรพรครับกลับเลี้ยถามค่ะการทำบุญแบบไหนที่ได้บุญมากที่สุดจำเป็นต้องไปทำที่วัดทุกครั้งหรือเปล่าคะคือการทำบุญนี่มันมีแบ่งไว้เป็นสามระดับด้วยกันระดับทานระดับเสียระดับภาวนาซึ่งถ้าเปรียบเทียบสามระดับนี้ทานนี้จะเป็นบุญที่น้อยกว่าสียสียนี้จะเป็นบุญที่น้อยกว่าภาวนา ด้านในตราละระดับมันก็มีความมากน้อยของมันอยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยเช่นทำทานทำมากเราก็จะได้บุญมากทำน้อยเราก็จะได้บุญน้อยเช่นเดียวกับศีลศีลถ้าเรารักษามากก็จะได้บุญมากรักษาน้อยเราก็จะได้บุญนอ้อยภาวนาก็บุมืกันถ้าเราภาวนามากเราก็จะได้บุญมากถ้าภาวนาน้อยก็จะได้บุญ น, น้อยนี่คือ เรื่องของมากบุญมากน้อยมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าทํามากทําน้อยและทําในระดับไหนระดับทานมันก็น้อยกว่าระดับศีลระดับศีลมันก็น้อยกว่าระดับภาวนาส่วนสถานที่นี้ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สำคัญเพราะบางทีเราสามารถทําโดยที่ไม่ต้องไปวัดก็ได้เช่นทําทานทําบุญ สมัยนี้ถ้าไปวัดไม่ได้โอนบัญชีเข้าบัญชีวัดก็ได้หรือถ้าไม่ศรัทธาไม่อยากจะทํากับวัดทําบโรงพยาบาลก็ได้ทำกับมูลนิธิต่างๆก็ได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปที่สถานที่เหล่านั้นก็ได้เพราะมีการโอนเงินเข้าบัญชีได้ในเรื่องสถานที่นี้มันไม่ค่อยสําคัญยกเว้นถ้าเป็นการภาวนานี้หรือการรักษาศีล ถ้าไปอยู่ที่สถานที่ที่มีที่เอือ้อต่อการกระทํามันก็จะดีกว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่เอือ้อต่อการกระทำเน่องจาเราอยากจะรักษาสิ่แปลกแล้วรักษาที่บ้านต้องมีคนในบ้านเขาไม่รักษาสิ่แปลกด้วยอันนี้มันก็อาจจะขัดกันเราไม่กินข้าวเย็นเขากินข้าวเย็นอย่างนี้ก็อาจจะทําให้รู้สึกลําบากในเวลาเห็นคนอื่นเขากินแล้วเราอดไม่ได้ แต่ถ้าเราไปอยู่วัดนี่ที่ทุกคนรักษาศีลเท่ากันไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันการรักษาศีลมันก็จะง่ายเช่นเดียวกับการภาวนาเพรามันก็อยู่ที่ว่าเราจะทําบุญระดับไหนะถ้าเราทําบุญระดับศีลระดับภาวนาเนี่ยอาจจะต้องไปหาที่ที่เอื้อต่อการภาวนาแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านนี่ก็อาจจะใช้ได้เมื่ออาจจะดีกว่าไปวัดที่ได้ซ้ำไปนอกจากไม่มีใครมาบรบกวนมา ทำให้การกระทำขเรานี่อะไรขาดตอนถ้าไปอยู่วัดถึงแม้จะเป็นสถานที่เ อ, อื้อแต่มีคนหลายคนเยอะอาจจะมีเพื่อนมาคุยมาชวนคุยกันบ้างชวนทำอย่างนี้ก็จะไม่ได้ภาวนาอยู่ที่ก็ได้ยังการภาวนาการรักษาสิ่งที่ดีสืกเกึกที่มีเวกที่อยู่ตามธรพัก น, นี่คือเกี่ยวกับเรื่องสถานที่มอามาฝา จากคุณเหมียวครับสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิกราบขอพระคุณค่ะคือสัมมาสมาธิคือจิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาเรียกว่าฌานสี่เนี่ยอันนี้เป็นสัมมาสมาธิส่วนมิจฉาสมาธินี้เป็นสมาธิที่พอนิ่งแล้วไม่อยู่ในฌานออกไป ออขยับออกไปนิดหนึ่งออกไปออกไปสแสดงไปไปมีความสามารถพิเศษหรือสามารถไปท่องในโลกทิศได้สามารถที่ไปเที่ยวในรลกเที่ยวสวรรค์ไปพบกับเทวดาได้หรือมีอคิญญาความสามารถพิเศษเึ่นสามารถระลึกชาติได้สามารถติดต่ อ, อ ก, กับเทพได้สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ว่าเขากำลังคิดอะไร อย่างนี้เป็นสมาธิที่มิจฉาถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิที่วิเศษในสายตาของโลกคือมีมีอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิที่ที่คนธรรมดาไม่สามารถมีได้แต่มันเป็นอิทธิฤทธิมันไม่เป็นประโยชน์ต่ อ, อการเอาไปาชำระจิตใจกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ไม่สามารถสนับสนุนให้จิตบรรลุมรรคผลที่ผานได้เพราะขาดอุเบกขาการนั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งสงบวางเฉยระนับความโลภโกรธหลงความความความรักชังกลัวหลงไว้ชั่วค่าวอันนี้แหละเป็นสมาสมาธิเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ในการกาจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยปัญญาต่อไปได้ เแต่โชดีอย่างหนึ่งคือสำหรับผู้ปฏิบัตินีส่วนใหญ่จะไม่มีวิชาสมาธิกันคือจะไม่มีไม่มีอิทธิปาฏิหาร์ปรากฏขึ้นมากมีน้อยมากเห็นครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าว่ามีประมาณ1้อยละห้าที่จะมีความสามารถพิเศษนี้นส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วก็อย่าไปสนใจ หน้ามันจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอมันเป็นความวิเศษสามารถที่อาจจิตใจของคนอื่นได้ก็ดีหรือลึกลึกชาญได้หรือติดต่อกับเทวดาได้แต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราคําถามจากคุณกิษสันพลครับการทำพิธีกา ร, การพ่อแม่ครูอาจารย์เหตุใดการภาวนาจึงได้บุญมากกว่าการทําทานหรือการถือศีลทั้งๆ้งที่ การภาวนาไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเลยครับกับขออภัยด้วยครับหากคําถามไ ม, ม่เหมาะสมอ๋อมันอยู่ที่ความสุขใจนะความสุขใจอิ่มใจเนี่ยความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการทําทานนี่มันน้อยกว่าความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการรักษาศีลไม่เชื่อคุณลองลองสังเกตอยู่เวลาคุณทำํณทำทาทานคุณเสียไปหมื่นหนึ่งส่วนเวลาคุณรักษาศีล มีคนมาให้คุณขอลับชั่นให้คุณร้านหนึ่งแต่คุณไม่เอาคุณยอมเสียล้านหนึ่งมยัยอมยอไม่รับร้านหนึ่งแต่คนจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจภูมิใจมากกว่าคุณทำเงินหมื่นบาทอันนี้การรักษาสิน ม, มันมันให้ความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทํางินทำฐานแล้วการทําพราณาทําจิตให้สงบนี้ยิ่งให้ความสุขเต็มร้อยเลย การวัดบุญนี้วัดที่ความสงบสุขของใจเป็นหลักคำถามจะคุณส้มเขียวหวานครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะแบบนี้ถือว่าบาปไหมคะซื้อของมาแล้วแต่คนขายไม่มาเก็บเงินเขาบอกว่าวันหลังจะมาเก็บแต่สรุปก็ยังไม่มาค่ะน่าจะลืมเขาเรื่องของเขาเราไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของเราเขาอาจจะอยากจะให้เราซีซีแต่เขาไม่อยากจะพูดโดยตรงไม่ได้ เขาก็เลยบอกอเดี๋จะมาเก็บเงินทีหลังเพราะเขาอาจจะมีความประทับใจหรือข้อบกขอบใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยทําให้กับเขาะเขาไม่ว่าถ้าเขาจะตอบแทนบุญคุณมอาอาจจะไม่ยินดีรับกับเขาเขาว่าเลยต้องใช้อุบายแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้เกิดจากการเราไม่มีเจตนาที่จะไปโกข้าวาวกของเขาเป็นการซื้อขายแล้วเมื่อเขาไม่ยอมมาเก็บ เ น, นเขาอาจจะตายไปก็ได้เนื่องจากอุบัติเหตุทำให้เขาไม่สามารถมาเก็บเงินเราได้แต่ถ้าเราอยากจะสบายใจจริงๆก็ไปหาก็ที่บ้านที่ร้านเขาถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามเพราะ ว, ว่าเนี่ยของซื้อมาแล้วยังไม่มาเก็บเงินไลยเจ้าเอาเงินมาให้เขาบอกไม่เป็นไรผมไม่ต้องการผมอยากจะให้คุณดีๆนั่นก็เป็นสิทธิของเขา คำถามเจ้คุณแสงวันครับการรำวัตรการครับพระอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระแล้วกรวดน้ําอุทิศบุญให้ญาติผู้ร่วงรับไปแล้วไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับรำวัตรการค่ะคือผู้ที่ ร, รับไปนล้วนี่มีหลายระดับถ้าจิตเข้าสูงไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารับส่วนบุญที่เราส่งให้ถ้าก็าไปตกนรกหรือ ไ, ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานเขาก็มารับไม่ได้มีพวกที่เป็นขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณที่เราเรียกว่าเปร ตรงนี้แหละเป็นผู้ที่จะมารอรับส่วนบุญของเราได้งั้มันก็อยู่ที่เขาส่วนเรามีหน้าที่อุทิศแล้วก็อุทิศไปกันแล้วครับจากคุณสลิตาครับหลานฟังเทศครูบาอาจารย์ใน YouTube แล้วเกิดซาบซึ้งในธรรมนั้นจนร้องไห้กราบแล้วกราบอีกซึ้งในคุณพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พอถึงเวลานอนกลางคืนก็ไม่อยากนอนนอนไม่หลับอยากฟังแต่ธรรมะ ต้องฟังจนหลับทุกคืนแล้วอยู่กับอิติปิโสตลอดหลานปกติไหมเจ้าคะไม่หรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องความยินดีในธรรมเวลาเราได้สัมผัสกับโรถแห่งธรรมแล้วมันประทับใจมันก็เลยทําให้เรายินดีอยากจะสัมผัสกับโรถแห่งธรรมอยู่เรื่อยๆไม่เป็นเรื่องถ้าจะป๊อปผิดปกติก็อาจจะจากคนธรรมดาทั่วไปคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ไม่สนใจธรรมะเขาอาจจะหาว่าเราผิดปกติ แต่ทางทำนี้ไม่ถือว่าผิต่อปฏิสัยอย่างใจากคุณเองเจิ้ลุ้ยครับคำถามค่าเรียนถามว่าการเราตั้งจิตถือศีลในเวลาวิกาลและมีเพื่อนร่วมงานโทรมาแต่เราไม่ได้รับสายเพราะทราบว่าทราบด้วยจิตว่าบุคคลนี้จะนำสิ่งรบกวนจิตจะทมว่าบาปไหมคะไม่บาปหรอเราไม่เราไม่ต้องการที่จะมีปฏิสัมบันธ์กับใครในช่วงนั้นเราก็ แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรับสายไม่ต้องไปมีอะไรกับใครก็ได้ครับจากคุณนัดคุ้มครับเดินไปเหยียบสัตว์โดยไม่เห็นบาปไหมครับอาจารย์ครับไม่บาปแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่ไม่เจิตนาคุณแตนแตนครับนัส ก, การเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้สึกทุกข์มากเป็นเพราะเหตุใดเจ้าค่ะ เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นเหมือนการเดินขึ้นเขานั่นเองมันไม่ใช่ของยากเพราะมันต้องสู้กับทิ่เลตะธหาที่มันจะคอยมาปิดขวางปิดกั้นการดําเนินการปฏิบัติของเรามันก็ต้องเจอทุกข์แต่มันเป็นทุกข์เพื่อเพื่อจะได้สุขต่อไปไม่เหมือนกับทางโลกคือเรามักจะหาความสุขแล้วเรามาทุกทีหลังกัน เป็นไปเที่ยวกันมีความสนุกกันแต่พอมามีโควิดออกไปเที่ยวไม่ได้ทีนี้ก็ทุกข์กันนะมันสลับกันทางโลกนี้สุข ก, ก่อนแล้วทุกข์ทีหลังแต่ทางธรรนี้ทุกข์ก่อนแล้วก็ ม, มาสุขทีหลังคําถามจากคุณวรณภาครับคนเล่นหวยกับเจ้ามือใครบาป ก, กว่ากันคะไม่บาปเรามันเป็นการเล่นการพ น, นันไม่ถือว่าเป็นตารกระทำบาป แต่เป็นการกระทาที่ไม่ควรเพราะมันจะทำให้ติดแล้วอาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเงินทองมากโ ด, โดยเพราะว่าเวลาเล่นถ้าได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนเไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้มันอย่าหาเงินโดยวิธีนี้ดีกว่าหาเงินโดยวิธีธรรมากินแบบคนทั่วไปดีกว่า ทำธรมเจ้คุณประพันธ์ครับทำบุญใส่บาทและกรวดน้ําอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติจะช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นไหมครับการทําบุญนี้มันจะทําให้จิตใจเราดีขึ้นจิตใจเราจะมีความสุขจิตใจเราจะมีความเมตตาต่อผู้ต่อผู้อันนี้มันมันมันมันริญทางจิตใจแต่ทางอื่นนี้มันอาจจะไม่ได้ทาให้ดีขึ้นเช่น ทางธุรกิจเรื่องการงานในต่างๆเพราะมันเป็นคนลำเรื่องกันงเราไมักจะไปโยงเรื่องทําบุญกับเรื่องการพบสําความสาเร็จในด้านยศวรรณะนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเหตุกับผลเหตุของการทําบุญคือทําแล้วคนของการทําบุญก็คือทําให้ใจเราสูงขึ้นทําให้ใจเรามีความสุขมาขึ้นสูงในที่นี้หมายถึงสถานภาพของ ใ, ใจ ใจเรานี่มีหลายสถานภาพตอนนี้ใจของเราเป็นมนุษย์แต่มีสถานภาพที่สูงกว่าและต่ำ ก, กว่าใจถ้าทำบุญสถานภาพของใจก็จะขึ้นสูงจากมนุษย์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาป ก, ก็จะดึงสถานะภาพของเราให้ลงต่ำจากมนุษย์ไปเป็นเราชานได้นี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญทาบาปเกิดขึ้นที่ใจของเรา ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเรื่องเงินทองเข้าของต่างๆว่าจะดีขึ้นมีมากขึ้นนี้น้อยลงนี้ไม่เกี่ยวกันคาถามจ้าคุณราศีครับการเรียนถามค่ะการที่เราไม่นับถือศรัทธาพระสงฆ์ที่ไม่สํารวมเราจะเราวิจารณ์จะบาปไหมคะคือการไม่ศรัทธานี้ไม่บาปไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาไม่ศรัทธาได้ถ้าเราเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือไม่น่า ไม่คิดว่าจะเป็นพระที่ที่จะสอนเราสอนธรรมะให้กับเราได้เราก็ไม่เป็นสับถามได้แต่เรื่วิจารณ์นี่เราไม่ควรที่จะไปวิจารณ์แม้ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเรื่องของเขาเอาอาจจะถ้าคาว่าวิจารณ์ถ้าวิจารณ์แบบว่าพูดออกมาพูดกับคนหนึ่งคนนี้ว่าคนนั้นวันนี้เป็นนี้นไม่ควรกันครับแต่ถ้าเราวิจารณ์ภายในใจของเราวิเคราะห์ว่าเออ วันนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์ได้แต่ถ้าวิจารด้วยการที่จะไปพูดกับคนในเงพูนั้ น, น, ไ, ม น, นไม่ดีวันนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ควรจะพูดของยัดพระจารย์เรียนแจน้งเพื่อนๆนะครับคำถาม ถ, ามถูกรีเฟรชไปเยอะเลยนะครับถ้าโดนข้าวแล้วส่งเข้ามาใหม่นะครับจากคุณลูนนะครับการบริจาค ร, ร่างกายและอวัยวะเราจะได้บุญตอนไหนเพราะเราไม่รู้ว่าตอนเราตายไปแล้วเขาได้ใช้หรือยัง ไม่ได้ตอนไหนเลยตอนเป็นก็ไม่ได้ตอนตายก็ไม่ได้ถ้าอยากจะได้ตอนเป็นตนะ้อาามาจากอาไว้ยว่าตอนที่เราเป็นเช่นแบ่งไตไปให้พูดหนึ่งอันนี่งเราจะรู้ว่าเราได้เสียสละหรือมีตาสองข้างเสียสละตาข้างหนึ่งให้กับเขาไปถ้าทาอย่างนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรารับรู้ เราก็จะได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันของเาจากคุณสิริพรครับกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิบางครั้งหายใจไม่ค่อยสะดวกจะทําอย่างไรเจ้าคะแล้วเวลานั่งดูทีวีหายใจสะดวกนะมันต่างกันตรงไหนล่ะร่างกายมันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันนะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ มันไม่สะดวกกระช่างผมมันอยากไปสนใจถ้ า, าคิดว่าดูลมไม่ได้ช่วงนั้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปด้วยก่อนเป็นก่อนจะรู้สึกว่าเรื่องการหายใจสะดวกแล้วค่อยมาดูลมหายใจต่อก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องอาการของของกิเลสต่อต้านการปฏิการปฏิบัติของเรานั้นเองเวลาจะนั่งสมาธิที่นี้โอรู้สึก ย่ากแล้วเกินเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แน่นตรงนั้นนั่นตรงนี้ไปหมดแต่เวลาให้นั่งดูทีวีนั่งดูละครนี่ยนั่งดูได้ทชั่วโมงจากคุณอีทครับขอากาบโอกาสเรียนถามคำบริกรรมที่ใช้แก้ความโกรธคำบริกรรมใดที่จะเป็นการปฏิบัติเมตตาภาวนาเพื่อดับโกรธให้ยั่งยืนเจ้าคะก็อย่าจองเวรอย่าจองเวรให้อาภายัยให้อภัย การไม่จองเวรหรือไม่การให้อภัยเป็นการที่จะดับความกรมาได้คําถามสกุลพมพรครับารศาสกรรมาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมชอบช่วยเหลือสัตว์มากกว่าช่วยคนเพราะเห็นว่าสัตว์ได้อโอกาสมากกว่าคนในส่วนนี้เรียกว่าโยมทําบุญหรือทําทานเจ้าคะส่วนบํารุงศาสนาโยมไปวัดก็ทําบุญหลากหลายตามความเหมาะสมทําบุญน้ําไฝ่วัดทุกครั้งที่ไปวัดเจ้าคะการกระทําทุกอย่างนี้ เป็นการให้การให้เ้าเรียกว่าทานไม่ว่าจะให้ใครกระต่ายให้วัดให้พระให้คนให้หมาให้แมวเรียกว่าทานอย่างนั้นส่วนผลที่เกิดจากการให้นี้เรียกว่าบุญคือความสุขใจอิ่งใจแต่เราบ่อจะใช้ศัพท์อหนนี้แบบแทนกันกระทัเราเลยสับสนไม่เข้าใจความหมายของความหมายของศัพท์อหนนี้ ทานเป็นเหตุบุญเป็นผลเะการการการให้ก็เกิดการทําการทําทานแปล ว, ว่าทานพอให้น้าก็เกิดผลคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเรียกว่าบุญ น, นี่คือความหมายของทานกับบุญต้องเข้าใจว่าทานเป็นเหตุบุญเป็นผลไม่ได้อยู่ที่ว่าให้กับพระแล้วเป็นบุญให้กับมาแล้วเป็นทานไม่ใช่ เป็นทานทั้งหมดแล้วก็ได้บุญทั้งหมดเหมือนกันจากคุณฟิงเกอร์สไตล์ไทยครับการเล่นดนตรีเ <c oughs> ช่นดนตรีคลาสสิกที่ต้องใช้สมาธิมากสมาธิแบบนี้คือสมาธิอะไรครับความจริงเราไม่เรียกว่าเป็นสมาธิเพราะว่าเราเรียกว่าสติสติเราต้องมีสติควบคุมมัเข้าใจให้เราอยู่กับการเล่นดนตรีชิ้นนั้นเราถึงสามารถเล่นได้ การใจเราบปรอไปคิดคนถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเล่นผิดเล่นถูกได้ยังต้องใช้สตินะเพราะคำว่าสมาธินี่หมายถึงจิตที่นิ่งสงบซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เราเล่นเล่นดนตรีจิตไม่มีวันสงบจากการเล่นดนตรีนิ่งสงบไดนะ้เพราะาต้องมีการทํางานผ่านทางร่างกายต้องสั่ให้ร่างกายเล่นดนตรีกับชนิดต่างๆนั่นความหมายของ ข อ, ของที่คุณพูดถึงนี่คุณใช้คําว่าสมาธิแทนสติคำนี้ต้องใช้จะต้อเรียกว่าเป็นสติแล้าถามสติก็มีสัมมาสติกับ ส, ส, สัมมิฉาสติสติที่เป็นสัมมาสติคือเป็นสติที่ไม่คิดแต่ถ้าเป็นความคิดที่ถึงดนตรีที่เรากำลังเล่นอยู่วามม่าต้องเล่นโน้นัน้นโน้ต น, น, น, น, นี้อะไรต่างๆนี้ก็ จ, จะไม่เป็น สมาสติอาจจะเป็นมิชาสติจะไม่ทำให้ใจสงบได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าสตินี้ถ้าเป็นสัมมาสตินี้จะคอยหยุดความคิดไม่ให้คิดผุ่นแต่เวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสมาธิไนดะ้ด้วยสัมมาสติถ้าเป็นมิจฉาสติมีสติอยู่รู้กับเรื่องนี้แต่เช่นเราดูหนังนี่เราก็มีสติกันแล้วคิดตามหนังที่เราดูไปเรื่อย ดูไปแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใจไม่แน่นใจไม่สงบเรียก ว, ว่าเป็นมิจฉาสติคล้ายๆเวลาผมผ่าตัดสมัยก่อนครับพระอาจารย์มันก็จะไม่มีเรื่องอื่นอยู่ในหัวแต่มันก็จะมีการผ่าตัดอยู่ในหัวตลอดอันนี้ก็เป็นสติมเหมือนแต่ไม่ทั้งนึ่งไดแ้แต่อาจจะมีใช้ความคิดอยู่บ้างถที่ว่าจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไร ก็ถือว่าเป็นสัมมาสติได้ถ้าเราไม่คิดครับแต่ถ้าเราคิดนี่มันก็เป็นมิจฉาสติครับแล้วส่วนเล่นดนตรีนี่เล่นดนตรีนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมิจฉาหรือสัมมาถ้าเราเล่นดนตรีด้วยที่เราไม่ต้องคิดนี่ก็อาจจะเป็นสัมมาสติก็ได้ครับแต่ถ้าคิดไปด้วยมันก็จะเป็นมิจฉาสติ จากคุณจตุพรครับเวลาเราถือศีลแปดบังเอิญไปทํามดตายโดยไม่ได้ตั้งใจถือว่าศีลขาดไหมคะแล้วต้องไปสมาทานศีลใหม่อีกไหมคะไม่ขาดเราถึงแม้ว่าถ้าขาดก็ไม่ต้องไปสมาทานศีลใหม่เพราะเราสามารถการสมาทานนี้เป็นการแสดงเจียรติจำลองว่าเราจะรักษาศีลแปดเมื่อเรายังมีเกยรติจำนองอยู่เราก็ไม่ต้องไปสมาทานใหม่เราก็รักษาต่อไป เพีแต่ทำความเข้าใจว่าตอนนี้เราเราเราขาดสินไปนิดหน่อยแล้วเรารับเราทำผิดศีลไปแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งอะไรทำนอง น, นีแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยไม่มีความตั้งใจนี่ไม่ถือว่าเป็นการขาดสินไม่ขาดใจอย่างใดแต่คุณประการครับขออนุญาตเปียนถามครับจิตกระทบแล้วปรุงแล้วดับแล้ววางเฉยเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราในขณะที่จิตตั้งมั่น กว่าจะหมดไปสิ้นไปต้องใช้เวลาหลายนาทีการที่จะพัฒนาให้ไวกว่านี้ขอคำชี้แนะด้วยขอรับครัอาจารย์ก็ต้องมีสติมากๆนะล้วก็สามารถหยุดกวดมคิดปรุงแต่งได้จิตก็จะวางเฉยได้ได้เร็วกว่าเราต้องหมั่เจริญสติด้วยการเจริญพุทโธพุทโธหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไห ว, ข, ไวขอ ง, งร่างกายตลอดเวลา อยากปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคาถา ม, ถามจากคุณสนิทครับกล่าวร้อัการพระอาจารย์ขอกลับเรียนถามเวลาทำวัดสวดมนต์ทไมง่วงนอนราบเจ้าค่ะไม่บาปหรอกมันก็เป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกับคนที่นั่งแล้วหายใจหายใจไม่สะดวกนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มันคอยมาขาัดขวางการการภาวนาการปฏิบัติธรรมมันจะสร้างนิวร์คืออุปสรรคต่าง ขากั้กับความรุ่นนอนเป็นอย่างหนอาการอึดอัดตรงนัง้นอึดอัดตรงนี้หายใจไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผลงานของกิเลสตัณหาที่มีในใจของเราที่จะคอยขวางการทําใจให้สะดวกของเราจากคุณนัทนานครับการรัศการขาวทีแรกได้ไปปฏิบัติที่สำ น, นักสงฆ์แห่งหนึ่งวิธีปฏิบัติแปลกมากๆค่ะ ตอนอยู่ที่สำนักสงฆ์ทางสำนักบอกบุญเรื่องทอดกรถินก็เลยรับปากเป็นเจ้าภาพผ้าไตรพอกลับมาถึงบ้านได้รับรู้ข่าวว่าเคยมีการสอนปฏิบัติแปลกๆเจ้าอาวาสก็ไปอยู่ที่อื่นโดนทางวัดบอกว่าจเจ้าอาวาสไปสร้างที่อื่นต่อๆไปเลยค่อนข้างศรัทธาเลยบอกไปทางโทรศัพท์ว่าขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพกรถินโดยบอกว่าไม่ได้ไปเนื่องจากไกลด้วยถาแบบนี้บาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้าเราเปลี่นใจแล้วก็บอกเขาเราเปลี่นใจ จากคุณอีทครับถ้ามารดาเชื่อคนที่ประจบหลอกลวกลงยุโยงเพื่อให้ครอบครัวแตกพร้าวกันและท่านก็คล้อยตามเสมอเราจะวางตนวางใจอย่างไรเพื่อเปรียบเสมอือนอยู่ท่ามกลางสนามรบหรือท่ามกลางข้อสอบเป็นประจำถ้าทําใจว่าตายก็ตายเถิดเราจะยอมเบื่อเต็มที่แล้วก็อยู่อย่างพยายามทําใจให้รู้เท่าทานความโกรธหรือสิ่งที่กระทบกระทั่งก็ดีทําอย่างนี้ได้ก็ดีปล่อยา ว, าวางเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคบังคับ มันด้เราได้ถ้ามันไดา้าอยากจะเชื่อเขาเขาปล่อยให้เขาเชื่อไปจากคุณสกายฟอลครับการนมันส ก, การพระอาจารย์ถ้าเรารู้สึกว่าจิตของเราของตนเองยังไม่ดีอยากฝึกให้ทุกข์น้อยลงเมื่อถึงวัยและไม่มีภาระครอบครัวเราควรปลีกตัวเพื่อพัฒนาจิตใจตนเองเราควรไปฝึกตามวัดที่มีครูบาอาจารย์หรือไม่ครับก็อยู่ที่บ้าเรารู้จักวิธีฝเสริมทุกข์ได้ ถ้าเรารู้จักวิธีฝึกที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้แต่เราต้องหาสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติต้องเป็นสถานที่ที่สงบวิเวกไม่มีเรื่องราวต่างๆมาลบคนใจจะดีกว่าอยู่ในสถานที่ที่ยังมีเหตุการณ์ต่างๆมาลบคนใจแต่คุณเตเต้ครับเรียนถามพระอาจารย์ขา่าปัจจัยที่ได้ทําให้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ นอกจากทําบุญเท่ากับทําบาปแล้วมีปัจจัยอื่นไหมคะทําไมพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะทําบุญไื่ทําบาปมากมาอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่มีนิสัยชอบทําบาปก็จะทําบาปมากคนที่มีนิสัยทําบุญก็จะทําบุญมากในเวลาตายไปบุญกับบาปก็จะเดินไปทางใดทางหนึ่งก่อนถ้าบุญมากก็จะเดินไปเกิดเป็นเทวดาก็ กินกว่า บ, บุญจะลดระดับลงมาอยู่ในระดับบาปถึงยะได้มันเกิดเป็นมนุษย์ไปถ้าทําบาปมากเวลาตายไปก็จะไปรับผลบาปก่อนเกินกว่า บ, บาปจะลดระดับลงมาเท่ากับบุญถึงยะได้มันเกิดแล้วการจะได้มันเกิดไม่ได้จะได้เกิดทันทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีพ่อแม่ที่จะสร้างร่างกายใหม่ให้เรากับเราเท่าไหร่ร่างยุคก็มีน้อยมีคนน้อยมีมนุษย์น้อย บางยุคก็มีวิธีป้องกันการเกิดเช่นยุคนี้มีการทําวิธีทําหมันบ้างทำอะไรบ้างเลยทําให้การสร้างร่างกายใหม่ น, นี้มันมีไม่มากเลยมันก็มีมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากไม่เหมือนกับสัตว์เนี่ยสัตว์นี่เขาออกมที่เป็นฝูงเนี่ยปลานี่ออกมาที่เป็นฝูงมดมแมลงต่างๆนี่ออกมาเป็นฝูง เกิเป็นจัตว์ง่ายกว่าเกิเป็นมนุษย์แต่ถ้าจิตเราอยู่ในระดับที่ที่เหนือกว่าเรือฉั น, นราาเราก็ต้องเป็นดวงวิญญาณที่รอร่างกายของมนุษย์เมื่อก่อนจะถึงชิวเราเมันมีชิ ว, ม, วมีร่างกายให้เราเกิดเราก็จะเกิดได้ถ้ายังไม่มีเราก็เป็นมนุษย์ทางด้านวิญญาณไปก่อนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีร่างกายครับจากคุณวีวีครับ การเริ่มต้นปฏิบัติต้องเริ่มอย่างไรดีเจ้าคะถ้าพูดถึงการปฏิบัตินั่งสมาธิก็ต้องเริ่มที่สติก่อนอยู่าง้นถ้ารักษาสีได้ก็จะดีจะช่วยได้ถ้าไม่รักษาสีเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าอยะไรเราก็ไปกินกับเขาพอากลับมาจะมานั่งสมาธิก็จะยากอย่างน้อยก็ต้องรักษาสีนหนาให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้สีแปดเพราะถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติมาก การปฏิบัติเป็นแค่ไม่กี่นาทีนี้ก็ควรังอย่างน้อยมีศีนห้าเพราะสินห้ามันจะทําให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับการทําผิดศีลต่างๆนั่นเอถ้าเราไปทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานักสมาธิใจมันอาจจะไปกังวลกับบาปที่เราทําก็ได้เนี่ ย, ยถ้ารักษาสินห้าได้ก็จะช่วยได้ในระดับนึงแล้วก็ให้เรา ต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดให้ได้ก่อนอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่เปื่อยใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดก็ได้ในขณะที่เราเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆถ้าไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดทํามันคิดเรื่ยเปืยก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดหรือเราจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของง่างกายว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนอนั้นก่อนนี้ที่ไม่เกี่ยวกับงานที่เรากำลังทําในปัจจุบัน อันนี้ก็เป็นการฝึกสติพอเรามีสติแล้วเวลามานั่งสมาธิก็ง่ายวิธีนั่นก็ง่ายคือถ้านั่งโดยโดยโดยหลักตาก็นั่งขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่ดีแล้วจะนั่งได้นานต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่เรานั่งไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่เรายังอยากจะนั่งอยู่ก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนขอบเตียงก็ได้ ถ้าเรานั่งกับพื้นไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งก็อีไปก็ได้ได้เวลานั่งก็ให้นั่งตัวตรงให้หลังตรงแต่ไม่ต้องเกร็งแล้วพอเราตั้งท่าดีแล้วเวลาเรานั่งสมาเราทําสมาธิภาวนาะเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับท่านั่งของร่างกายถ้าเรานั่งเราใช้พุโทโธเราเนั่งหลับตาแล้วก็เริ่มท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจให้มีสติรู้อยู่กับพุโทโธเอี่าปล่อยอให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ปาลายจมูกใจ้ะสงบหรือถ้าเราจะใช้การดูลงหายใจเราก็ดูลงที่ปลายจ ม, มูกดูลงเข้าดูลมออกที่ปลายจ ม, มูกเราไม่ต้องตามเข้าตามออกให้อยู่ที่จุดเดียวนี่คือวิธีหันนั่งสมาธิแบบเริ่มตน้นทําแค่นี้แหละขอให้มีสติเท่านั้นะถ้าไม่มีสตินั่งแล้วมันจะดูลงไม่ได้มันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะพุโทโธไม่ได้พุโทโธได้สองคำเข้าไปแล้คิดถึงเรื่อนั้นเรื่องนี้ ถ้าอย่างนั้นก็นั่งไม่ไม่มีวันที่จะสนมไม่สามารถที่จะเห็นผลทเกิดจากการนั่งสมาธิได้คําถามจากคุณทาทาครับกลับถามว่าอาจารย์ค่ะเจอคนแก่ขายขนมด้วยความสงสารเลยช่วยซื้อจํานวนเยอะพอประมาณแต่ขนมแลดูไม่ได้กินเลยไม่กล้ากินเองเลยเอาไปฝากผู้อื่นใจก็ไม่กล้าใจสุขในการให้เพราะเรายังไม่กล้ากินแบบนี้คือเราทําบาปใช่ไหมคะ เราไม่บาปรอกพี่แต่ว่าเราเป็นการเรให้ของได้ได้คุณภาพให้แก่ผู้อืน่นนะครับก็เลยมีความรู้สึกอไม่มีความสุขถ้าเราคิดว่ามันมันได้คุณภาพแล้วคนเราไม่กล้ากินแล้วเราไปให้คนอื่นทำไมล้วก็โยนทิ้งไปกับเราแต่สบายใจกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ ท, ดทําบุญตรงที่เราซื้อของจากยายมาแล้ว จากคุณชัยภาครับหลวงพ่อหนูชอบบูชาวัตถุมงคลโดยกําหนดเงินร่วมบุญตามแต่ละวัดกําหนดทําบุญแบบนี้ถือว่าโลภไหมคะมันไม่ได้ทำหรอกมันเป็นการซื้อขายเราซื้อวัตถุมงคลด้วยการบริจาคเงินให้กับวัดแต่ความจริงถ้าเขาไม่มีวัตถุมงคลให้เราเราก็คงจะไม่ได้บริจาค ก, การทําบุญจริงๆนั้นเป็นการให้โดยไม่มีการตอบแทนไม่มีอะไรมาตอบแทนนั้นกําหนดถึงเได้อนกาคต แต่ถ้าเป็นการให้แล้วเราได้ของตอบแทนกลับมานี้นเรียกว่าเป็นการซื้อขายเหมือนเวลาเราไปที่ร้านขายของเราก็ให้เงินเขาแล้วเขาก็ให้ของที่เราต้องการมาวัดก็เหมือนกันวัดบางทีก็กลายเป็นร้านขายวัดถุมช น, นไปหรือแม้เราจะใช้ใช้ใช้กิริยาอื่นเช่นไปเช่าพระเป็นต้นเป็นเช่าไม่ได้ไปซื้ออันนี้เป็นการเลี้ยงบาลีความจริงมันก็เป็นการซื้อขายอยู่ดี ยืนว่ายืนแล้วคำถามจากคุณลูนครับเรานั่งสมาธิทุกครั้งต่อให้นานขนาดไหนเป็นชั่วโมงไม่เคยเห็นนิมิตอะไรรู้แต่ความมืดรู้แต่รู้สึกเจ็บบ้างดักพันบ้างฟุ้งซ่านบ้างจะทำอย่างไรให้จิต น, นิ่งได้บ้างการนั่งสมาธินี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเห็นหนิมิตะไรนมิมิตนี้อาจจะเกิดขึ้นจากจิตคิดโผลแตกขึ้นมาเองก็ได้ จิตยังไม่สงบงั้นการไม่เห็นนิมิตยันดีเพราะเห็นนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติมันมันก็จะทําให้เราหลงทางได้วัวแต่ไปจ้องดูนิมิตตามนิมิตจิตก็จะไม่มีวันสงบได้งั้นถ้าไม่มีนิมิตมันก็จะไม่มีอะไรมาหลอกล่อใจให้ออกจากการภาวนาเราต้องการภาวนาอย่างเดียวหรือเวลานั่นสมาธิต้องอยู่กับพุโทโตอย่างเดียวไม่ อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งหรือเมื่จะมีความรู้สึกเจ็บบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจมันจะซ่าบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแลืวอยู่กับยุ ก, บการยุโลหะหายใจไปแล้วจิตจะนิ่งได้มากขึ้นจนกระทั่งถึงนิ่งได้แต่งที่แล้วจะได้ครอ บ, บความสุดอันาจจักรใจที่เกิดจากความสงบของใจ คำถามจ้าคุณจีรศักดิ์ครับอาจารย์คำถามนี้ผมอ่านไม่เข้าใจแต่ว่าเห็นถามมาหลายรอบครับน้องกาบหลวงพ่อครับสมมุติว่างูกินตัวอื่นจนถึงคอแต่ตัวอื่นพองตัวงูเลยปล่อยตัวอื่นแล้วงูหายไปตัวอื่นสบายตัวสบายใจนั่นคือตัวอื่นเรียนจบภาวนาใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันเป็นการป้องกันตัวของตัวอื่นเขาเท่านั้นเองในวิธีการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาแต่ คุณพลอยชรินครับกลาวนมัทสกา ร, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่ตัวเราคิดดีทดําดีและไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะทําให้เราได้รับบุญส่ผลบุญอีกทางหนึ่งเป็นการเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะคิดดีทดําดีมันก็ก็เป็นการกระทำที่เรียกว่าเป็นการทําบุญนี่คิดไม่ดีทําไม่ดีก็เรียกว่าเป็นการกระทำบาปอย่างก็ถ้าคิดดีทําดี มันก็ทําให้เราเปนความสุขใจไหมครับเวลาทำบุญทำทานนี่เราก็เรียกว่าเป็นการคิดดีทำนักที่จะทําบุญแล้วเราก็ทําบุญ่ยากคิดดีทําดีมันก็เป็นเป็นความสุขใจขึ้นมาดังนั้นก็ไม่ทราบว่าตอบคำถามา ถ, าถูกต้องไหมหรือคิดว่ามันนอกจากทําบุญแล้วมีอ ย, อย่างอื่นหรือเปล่าแบบที่คิดดีทดําดีคิดดีก็คือ ยังไงมันความถ้ามันดีนะถ้ามันคิดดีคือคําว่าดีนี้ก็คือไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้ก็สร้างความสุขสร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นอยงเรียกว่าคิดดีทดําดีต้องเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างนีถือว่าเ ป, เป็นการคิดดีทําดีนะแต่ถ้าคิดดีทําดีถ้าไม่เกิดประโยชน์สุขกับผู้อื่นนี้ไม่ถือว่าเป็นเป็นการคิดดีทําดีที่แท้จริงมันต้องเกิดประโยชน์สุข เช่นอาจไม่ทําบุญแล้วก็ไปทำํำอย่างให้เขาก็ได้ไปเฝ้าบ้านให้เขาไปเลี้ยงลูกให้เขาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดดีพูดดีทํำดีแต่ถ้าคิดเฉยๆแล้วไม่ได้ทําเลยก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นบุญแต่อย่างไดคําถามจากคุณวรนนาครับกลาวนามิต <c oughs> กา ร, การพระอาจารย์มีความทุกข์ในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้เดินจงกรมและทําสมาธิบางครั้งก็เข้าใจในทุกนั้น แต่ไม่กี่วันก็กลับมาคิดอีกตัดความทุกนั้นไม่ขาดเสียทีทําอย่างไรให้ตัดความทุกนั้นให้สิ้นไปเจ้าคะก็ลองไปเข้าไปไม่ถึงีต้นเหตุของความทุกข์นั้นว่าเกิดจากอะไรที่เราทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราสามารถเข้าไปถึงต้นเหตุได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้เราเราก็ไม่เป็นไปตามที่ความอยากเราก็ทุกข์ แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าช่างเขาก็อยากจะเป็นเงินก็ปล่อยมัเป็นไปก็จะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นตามความต้องการของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเลยต่อไปนี่ต้องหาความหาหาเหตุคือต้อเหตุ็นกำลังที่ว่าเราก็ลังอยากกับอะไรกับเรื่องอะไรอยากให้เป็นอะไรอย่างไรถ้าเราพบสาเหตุ น, นั้นแล้วเราสามารถเลิกเหตุ น, นั้นได้คือเปลี่ยนใจเรา หยุดความอยากกันได้ความทุกข์ในใจของเราก็จะหายไปคุณนัดแปดเก้าครับผมชอบกลัวไปก่อนยังไม่ทันได้เริ่มก็กังวลครับกังวลจนเครียดคิดมากทำอย่างไรดีครับก็หยุดคิดสิความความองไว้น้นกิดจากความคิดของเราพอเริ่มกังวลกรต้องพุทโธพุทโธไ ป, ไปให้มันอย่าให้มันคิดพอความกังวลหายไปแล้วเราก็หยุดพุทโธได้ พอมันเริ่มกังวลใหม่แล้วก็พูดโทรใหม่ทํานี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่กังวลอัญถามเจ้าคุณชุลีรัตน์ครับการรับราการพระอาจารย์การนั่งสมาธิครั้งแรกแล้วจิตสงบเหมือนเห็นมีแสงสว่างองค์พระพุทธพระพุทธทองอารามเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะก็เป็นเรื่องของความสงบเนี่ยบางทีจิตสงบแล้วก็จะรู้สึกว่ามันสว่างสว่างขึ้นมาได้อาจจะเห็นเห็นนิบิตบางอย่างได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสงบแต่ยังจะสงบไม่เต็มที่นะคนจะภาวนาต่อไปคนจะดูลมต่อไปคนจะพุ่งโตต่อไปเพราะถ้ามันจะสงบเต็มที่แล้วทุกอย่างจะหายไปหมดเนื้อแต่ความว่างจาคุณรัชยาครับการนรัศการขาเขาอกาสถามโยนิโสมนสิการสําคัญอย่างไรและนํามาใช้ในขั้นตอนไหนในการปฏิบัติ อันนี้เราไม่ค่อยชำนาญ น, นะางผมทภาษาบาลีนะอะไรไม่ว่าความหมายมนี่แปลว่าอะไรย่อมลองไปเปิดดูใน Google ดูดีกว่า น, นะจ ะ, จะได้คำตอบที่ดีกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทายมาได้มาถามเราเราจะตอบไดคบ้คำถามจาคุณพลัดครับ การธรรมสการครับพระอาจารย์ทําอย่างไรครับที่ทําให้คนติดเหล้าติดยาเสพติดให้เขาไม่จิตสํานึกที่ดีกับตัวกลับใจเป็นคนดีเคยไปเตือนคนแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ยอมเลิกอันนี้ก็ไปไปยุกก่งกับเขาไม่ได้อถ้าเขาไม่ได้มาขอความชื่อหรือจากเราเราอยู่ดีๆเราจะไปบอกเขาให้เขาเลิกทําในสิ่งที่เขาชอบนี่มันก็เป็นของยาก เขาก็รู้ว่ามันมีโทษแต่เขาก็อยู่ปาจักมันไม่ได้เวลาไม่มีมันแล้วมันจะลมแดงมันจะตายให้ได้ทรามานเขาก็เลยต้องเสพต่อไปนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรามไม่ที่จะไปยุ่งกับเขานอกจากว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือให้เราช่วยเขาให้เขาเริ่มติดยาเสพติดเรากาจะพาเขาไปที่สถานบำบัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ ที่มีมีผลดีผู้ที่ไปบำบัดแล้วหายได้เช่นวัดทํากระบอกอะไรอย่างนี้ไม่ทราบว่ายังยังมีอยู่หรืบบอเปล่ามีชื่อเสียงมอหลายปีแล้วอันนี้ถ้าเขาไม่มาขอความช่วยเหลือเราก็ทำอะไรไม่ได้จากคุณนัทมนครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะไปเจอช่างเสริมสวยคนหนึ่งคบหากับพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสวัดหนึ่ง มาค้งที่บ้านให้เงินทองใช้ซักจีวรปากเหมือนผ้าตุ่งปกติเธอบอกว่าแค่ต้องการเงินมาใช้จ่ายส่งลูกเรียนแบบนี้บาปจะตกแก่ใครมากกว่ากันระหว่างพระกับผู้หญิงคะพระน่ะานบาปนเนี่ยพเยพราะพระไม่คนที่จะมาอยู่สองต่อสองกับศีกา ย, ยนะแล้วยิ่งมาอยู่ที่บ้านนี้ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เวลาอยู่ในบ้านใครจะไปรู้ว่าครับเป็นไปทํำลายกันบ้างหรือเปล่า อาจจะถึงขั้นประราชิกก็ได้ถ้ามีการเสกเมถุนมีการเสกการยันสาหรับบัานีบา่บ่าสาหรับผู้หญิงนี่ก็อาจจะผิดศีลข้อสาการประพฤติผิดตรเองนีเพราะไปร่วมลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสามีของเราจากคุณเดชจิงจีครับากาลนิมัสการพระอาจารย์เจ้าข่าสมาทานศีลห้าแต่มาปฏิบัติถือศีลแป อย่างนี้จะผิดศีลหรือไม่คะไม่ผิดหรอกยิ่งดียิ่งนิ่งถือศีลได้มากข้อเท่าไรยิ่งดีก็เราก็เราก็สมาทานเพิ่มได้เห็จะลําบากเท่าไหร่ถ้าเราบอกอยากจะอยากจะถือศีลเพิ่มก็เก็เราก็บอกตัวเราเองนะการทำการทาน ค, คือการบอกเราว่าเราต้องการจะรักษาศีลรักษาศีลได้เขาบอกวันนี้รักษาศีลห้านะแล้วอาจจะบอกาอาจจะอาจจะเพิ่มข้อข้อหกข้อเจ็ดหรืออะไรก็ได้ ไม่ไม่เสียหายหรอกถ้ารักษาเพิ่มครับถ้ารักษาน้อยลงเนถึงยังเรียกว่าเสียหายขาดน้อยไปไม่ทําให้ครบเป็นรักษาศีลท่าเราทําไปสมาทานศีลท่าเราไปรักษาแค่ศีลสีคือศีลสุรา ย, ยังอดอดไม่ได้ยต้องดื่มสุร า, ายอยู่มันก็ได้แค่สี่ข้อไม่ได้เต็มร้อยจากคุณพัชรินท ร, นกกร์ครับกลาวนวัชการครับเรียนถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่ง เวลาใส่บาตรจาเป็นต้องใส่ทัอาหารและน้ํำไหมครับเคยได้ยินว่าไม่ใส่น้ําเวลาตายแล้วจะไม่มีน้ํากินส่วนตัวผมว่าแล้วแต่ว่าวันไหนอยากใส่อะไรครับข้อที่หนึ่งครับอาจารย์ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยเพราะว่าพระพท่านนี่ท่านมีแค่บาตรใบเดียวถ้าเกิดท่านมาองเดียวนี้่มาถวายน้ําัสองขวดท่านก็ตายแล้ว <S <S 2> <S 2> นั้นน้ํานี่ไม่ค่อยสำคัญคือท่านสามารถที่จะมีดื่มได้ที่วัดอยู่นะ สิ่งที่ท่านไม่มีที่มาสก็คืออาหารเช่นข้าวของข้าวของหวานนี้สข่ของที่ท่านไม่มีไปก็พอส่วนน้ํานี่ที่ที่มัดท่านมีอยู่เยอะแยะไม่กลับมันส่วนที่ว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าถ้าไม่ได้ใสน่น้ำแล้วเวลาตายไปจะไม่มีน้ํากินอันนี้นเป็นความเชื่อเฉยๆไม่ใช่เป็นความจริงเพราะเวลาตายไปเราไม่ได้กินน้ําอยู่ดีสิ่งที่เรากินเวลาเราตายก็กินบุญบุญนี่ เป็นอาหารสารพัดนึกเวลาเราเราทําบุญไปแล้วเราก็จะเวลาเราเวลาเราตายไปเราก็จะเหมือนอยู่ในโลกฝันเราก็จะฝันมันได้กินอาหารที่เราชอบถูกอกถูกใจอย่างต่างได้ดื่มน้าอะไรทุก pues nope. อย่างฟร้อมเฟื้ไม่ต้องกังวลบุญนี้เป็นเหมือนอาหารสารพัดนึกมันจะมันจะพาให้เรานึกถึงอาหารชนิดต่างๆที่เรารักเราชอบที่เรากินที่เราดื่ม อย่างแต่เวล า, าใส่บาตให้ของคนรับนี่ต้องดูว่าอันไหนมันจะเหมาะกับผู้รับในตอนนั้นท่านมันแต่ให้น้ำแล้วท่านมาองเดียวนี่ให้น้ากวดใหญ่แล้วสองขวดแต่ท่านก็ไปไม่ไหวแล้ววันนี้ก็ให้ขวดวันนี้ก็ให้ขวดครับแล้ที่บอกอยากกินอะไรให้ใส่อันนั้นก็ไม่จริงนะครับอาจารย์ครับอยากกินทุเรียนก็ทุเรียน ก, <laughs> ก, ก็ก็ไม่จริงอนะ่ะเพราะใส่อะไรก็ได้เวลาเราครับ เราตายไปแลเราก็เราก็ฝันถึงมันครับคําถามข้อสองครับกิเลสกับอุปกิเลสต่างกันอย่างไรครับอาจารย์เราก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเดียวกันนะอ่ะก็ก็คือกิเลสเหมือนกันนะเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราไม่ค่อยได้ศึกษารายละเอียดเท่าไหร่จึงไม่ค่าตอบว่าอุปกิเลสนี้แปลว่าอะไรคุณหมอพอจะรู้ไหมอุปกิเลส ไม่ทบครับอาจารย์ครับเนื้อเนอจูเนียกิเลสจูเนียรือ่ามัเหมือนกับค้า่งคล้ายกิเลสใจหรือเปล่าครับอาจารย์เหมือนกับกิเก็ไม่ควรนน่าจะประมาณนั้นครับเหมือนกับไม่ควรไม่ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนั้นไหยครับอาจารย์เหมือนกับตอนแรกเหมือนหมดไปแล้วแล้วก็พอไปโดนกวนก็ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจกับอาจารย์ครับถ้าเป็นกิเลสเหมือนกันเหมืครับเพําถามจากคุณเวลฟี่ครับ การนักวิชาการพระอาจารย์ครับคนในครอบครัวของภรรยามักจะมีคําพูดและการกระทําที่ทําให้คิดว่าเขาไม่ได้เห็นเราเป็นคนในครอบครัวเลยทําให้เรารู้สึกผิดหวังและมีอคติอย่างมากเป็นทุกข์ไม่อยากเจอหน้าไม่อยากได้ยินเสียงเขาอีกแต่ยังจําเป็นต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันจะทําอย่างไรจึงจะลบอคติที่มีอยู่ในใจให้หมดไปและสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทุกข์อึดอัดและลําบากใจกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ไม่ตาครับเราก็ต้องยามนับความจริงว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ เไม่ยินดีที่เราจะรับเราเข้าไปเป็น ค, อครอบครัวเขาก็เป็นสิทธิ์ที่ของเขาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ ค, อครอบครัวเขาเท่านี้นเอง้วก็มองควาจริงว่าเราก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ค, อครอบครัวเราเรามีครอบครัวของเราเรามีพ่อแม่พี่น้องของเราเพียงแต่ว่าเรามาอยู่กับภรรยาด้วยกันนะอาจจะไปอยู่บ้านของภรรยาแล้อาจจะอยากจะรู้สึกให้เราเป็นเหมือนกับภรรยาซึ่งมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ เพราะคนที่เขาไม่เคยอยู่กับเราเขาก็ไม่อยากจะรับเราเข้าไปไปเหมือนกับเขารับภรรยาของเขาของคุณนี่ก็เลยยอมรับความจริงว่าสถานะของเราเนี่ยเราเป็นเหมือนอาคันตุ ก, ก, กะเราเป็นเหมือนแขกรับเชิญท่านมาอยู่บ้านนี้ผ่านทางภรรยาท่านันเองส่วนคนในบ้านเขาจะรับเราเป็นครอบครัวของเขาหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขาเขาจะรับก็ได้เขาไม่รับก็ได้ มันเป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้คำถามจากคุณสุกัญญาครับเราจะตอบคําถามเด็กวัยรุ่นที่ท้อแท้อย่างไรในการทําดีและเขาเข้าใจว่าไม่เห็นได้ดีในสังคมที่มีแต่เส้นสายหรือแม้แต่เด็กเส้นครับก็อย่างที่บอกว่าเราต้องพูดความจริงให้เขาฟังว่าการทําความดีดีไม่ได้ทําให้เราเรียนเก่งได้คะแนนดีหมายถึงถ้าทําบุญนะถ้าอยากจะเรียนเก่ง ได้คะนนดีก็ต้องขยันเรียนเ mm hmm. ขาตามความเนจริการทําทความดีนี่เป็นการเสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นเพื่อทําให้ใจเรามีความสุขมีความภูมิใจอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการทําความดีคือเราต้องการให้พูดมีความสุขจากการกระทำของของเราทําแล้วเรามีความสุขใจอันนี้แหละคือผลที่ได้จากการทําความดี ไม่ได้ผลที่เกิดจากการพูดให้อะไรกับเราเป็นรางวัลตอบแทนถ้าเราไปคิดถึงเรื่องผมรางวัลตอบแทนนี้แสดง ว, ว่าเราไม่เข้าใจหลักของการทำความดีการทำความดีต้องการให้ใจเรามีความสุขต้องการให้เรามีความรู้สึกภูมิใจในตัวเราเองชมตัวเราเองนะว่าอะมึงดว่ามึงเก่งไหมยงนี้ไม่ได้ก็เลยก็มาชมเราเราสามารถชมตัวเราเองได้นี่คือความจริง เราต้องบอกเขาตามความเป็นจริงส่วนการจะได้ดีทางสังคมอยากจะมีเส้นมีสายก็ต้องมีสังคมกับคนเหล่า น, นั้นแล้วก็ต้องมีการเรียกกันไปมีการช่วยเหลือกันไปเขาช่วยเราเราช่วยเขาอะไรทาํานองนี้มันก็จะมีเส้นมีสายไปคราะนั้นมันไปนคนละเรื่องกันั้องบอกเขาตามความเป็จริงคําถามจากคุณออมมี่ครับขอเรียนถามอาจารย์ค่ะ พยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันแต่ส่วนมากเวลานั่งไม่มีสติเลยค่ะใจคิดโนู่นนี่ตลอดเราจะแก้ไขยอย่างไรคะขอบคุณค่ะก็ต้องฝึกสติไว้ก่อนไงต้องพยายามฝึกสติ ก, ก่อนที่เรามานั่งพยายามท่องพุโทโธพุโทโธถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเวลาที่เราทําอะไรเรื่อนเคลื่อนไหวอะไรต่างแล้วใจก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธแข่งกับมันไปท่องพุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราทพุทโธบ่อยๆก็ความคิดมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปตามลำดแล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็จะนั่งนั่งสมาธิได้ต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่ ม, สมีสติมานั่งมันก็ไม่นั่งแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถหยุดความคิดได้คําถามจ้าคุณลูกธนูสอนครับกับพระอาจารย์ค่ะคนที่อยากมีลูกแต่ทําไมไม่มี ทำไมไม่มีไม่ได้เจ้าคะ่ะขอแล้วขออีกก็ไม่มีเจ้าคะ่ะก็ต้องถามหมอมันเป็นเรื่องของทางทางร่านสรีระทางร่างกายของสามีและภรรยาอาจจะมีปัญหาทางใดทางหนึ่งก็เลย ม, มีไม่ได้ก็สมัยนี้เขาก็มีวิธีถ้าอยากจะมีก็ไปทดลองหนึ่งถ้าลองแล้วทุกวิธีไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของความสุดวิสัยของเราก็แล้วกัน คำ ถ, ถามจากคุณธนา ก, กรครับเมื่อก่อนเวลาแม่ทําอะไรหนูมักจะห้ามหรือบอกว่าไม่ควรทําแต่เดี๋ยวนี้หนูเลิกห้ามแล้วคิดว่าแม่อยากจะทําอะไรก็ปล่อยทําไปเพอะห้ามบอกไปก็ไม่ฟังอยู่ดีแบบนี้จะเป็นการละเลยไม่เป็นห่วงแม่หรือเปล่าคะไม่หรอเป็นการไม่เสียมากกว่าอย่าไปยื่งกับเขาถ้าเองไม่มาถามเราไม่ต้องไปบอกคเขาถ้าเขาถามทําอย่างนี้ดีไม่ดียิ่งเขาบอกเขาได้ แต่เขาไม่ถามเราเพราะอย่าไปยุ่งของเขาด้วยนะเพราะเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีใช่ไหมเขาก็ทําตามเรื่องของเขาอยู่ดีแต่คุณภารัตครับกล่าวในวัฒนการครับอาจารย์การให้อภัยกับคนที่ทําร้ายเอาเปรียบเราถือว่าได้บุญไหมครับได้เพราะมันจะทำให้ใจเราสงบจากความโกรธ ค, ความเกลียดนั่นเองควาโกรธความเกลียดทําให้เราทุกข์ใจไม่มีความสุขใจพอเราให้อภัยก็ทาความโกรธความเกลียดนั้นก็หายไป ท้าไม่ใจเรามีความสุขขึ้นมาความสุขนี้ก็เรียกว่าบุญสุขใจคําถามจากคุณเจ๊าดาวครับเวลาเราสวดมนต์บทชินวัญชรและคาถาเงินลาและคาถาจากกาักรพัทมีความรู้สึกว่าเย็นแล้วทําให้รู้สึกว่าอยากจะสวดอย่างนี้เรียกว่าปิติไหมคะใช่การสวดมนต์นี้ก็เป็นการฝึกทําสมาธิแบบหนึ่ง คำถามจ้าคุณแพทครับกาบเรียนถามค่ะขณะปฏิบัติควรเพ่งจิตไปที่ใดคะลมหายใจอย่างเดียวหรือลมหายใจและจ้องไปข้างหน้าในขณะหลับตาคะถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวดูที่ปลายจมไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูคอ ย, ยดูคนเข้าคนออกแต่ไม่ต้องตามคนเข้าไปไม่ต้องตามคนออกให้อยู่ที่ตกประตูทางเข้าออกของลมแล้วจิตจะนิ่งได้จะสงบได้ ถ้าตามลมเข้าลมออกจิตก็จะไม่แน่เพราะจิตยังสายไปสายมาคำถามจากคุณธนพลครับขออนุญาตสอบถามครับเมื่อเกิดความคิดในทางที่ไม่ดีเข้ามาแต่เราไม่ได้กระทําหรือยึดติดมันจะเป็นบาปไหมครับยังไม่เป็นบาปถ้าไม่มี ก, ร า, การกระทำทางกายหรือทางวาจาเพียงแต่อคุศลคือความคิดซึ่งถ้าเราไม่ควบคุมไว้ต่อไปนั้นบางครั้งมันอาจจะยับยั้งไม่ได้ แล้วมันก็จ้าออกมาทางทางกายทางวาจาได้ดนั้นทางที่ดีเวลามันเกิดขึ้นเราคนรจะหยุดมัน ท, ทันทีใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดอย่าปล่อยมันคิดคิดยาวขึ้นไปนะมันจะทนไม่ไหวแล้วจะมันก็จะพู่ออกมาได้คาถามจาคุณชิพพลครั บ, ก, บกราบและพระสการพระอาจารย์ครับในบทสวดปฏิจจสมุ ป, ปบาทการเห็นเกิดเห็นดับคําว่าเห็นหมายถึงอะไรครับ ก็รู้ไงเขาว่าเห็รู้ว่าอันนี้กิดขึ้นรู้ว่านี่ดับไปรู้เห็นแล้วคำหลายคำ า, านันเดียวกันจากคุณจรีรศักด์ครับที่ถามเรื่องงูกินอื่นอ่างนะครับอาจารย์ <c oughs> ขอถามใหม่ครับโทษทีครับ <c oughs> ผมนั่งภาวนาเวทนามันขึ้นมาถึงหน้าอกผม <c oughs> ผมสู้กับมันจนมันหายและผมโล่งสบายตัวสบายใจนั่นใช่ไหมครับที่ว่าภาวนาจบก็ภาวนาผ่านไปในขั้นหนึ่ง จะผ่านขั้นเวทนาไปได้แต่จะจบหรือไม่จบนี่อยู่ที่ว่ากิเลสหมดหรือังยังไม่หมดถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่จบต้องภาวนาต่อไปดนกว่าความโลภความโกรธความหลงมันจะหมดสิ้นไปจากใจถึงจะเรียกว่าภาวนาจบคุณไอรักษาครับกล่าวต่ัพิสการพระอาจารย์ค่ะสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิให้ใจนิ่งสงบถึงอั ป, ปนาสมาธิได้นานๆครั้งหนึ่ง เราต้องฝึกให้มากทําให้มากจนได้อัปนาสมาธิทุกครั้งไหมค่ค่ะเพื่อฝึกขั้นต่อไปเรื่องวิปัสนาขอบุณค่ะใช่ป้าหมายก็คือให้เรามีความชําชนาญสามารถที่จะเข้าอัปนาสมาธิได้ทุกครั้งเมื่อเราชํานาญแล้วเราเวลาเข้าสมาธิก็จิตก็จะสงบได้มีวิวเบกขาพอออกมาเราก็ใช้วิเบกขานี้ไปกับเรื่องการเจริญวิปัสนาต่อไปได้ แต่ถ้ายังไม่เข้าสมาธิได้ชํานาญเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอุเบกขามันก็จะมีน้อยเมืเ่ออุเบกขาน้อยก็กําลังที่จะสู้กับความอยากความโลภมันก็จะสู้ไม่ไหวคำถามจะคุณสันติครับการพุทธ ก, การครับหเหตุให้เกิดความเบิกบานร่าเริงคือธรรมะข้อใดครับก็ ค, ความสนงกเนี่ยคือสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาทำทั้งสามข้อนี้ทําให้จิตร่าเลยทําให้จิตเบิกบาน คำถามจากคุณอภิดีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครการทําบุญกรถิ่นพระป่าและเอาใบอนุโมทนาเพื่อลดหย่อนภาษีแบบนี้คือการให้ที่หวังผลตอบแทนเหมือนกับไม่ได้ทําบุญจริงๆหรือไม่คะไม่เราเป็นการลดการทําบุนของเราในส่วนที่เราไปขอเงินคืนมาคืเราทำร้อยหนึ่งแล้วเราก็ไปขอจากรัฐบาลมาสิบบาท แ, แสดงว่าเราไปให้ ให้รัฐบาลมาลบทำแทนเราสิบบาทเราทําพีงเก้าสิบาทนั่นเองถ้าเราถ้าอยากจะทําเต็มน้อยเราก็ไม่ต้องไปเลือกลดลดหย่อนภาษีเราก็ากเรียกแตงมวยแต่ น, นี่เราให้วัดไปร้อยหนึ่ง แ, แล้วเราก็าไปเอาจากรัฐบาลคืนมาสิบบาทก็ แ, แสดงว่าเราทำเพียงเก้าสิบบาทนั่นเองโดย ส, ส่วนต่างก็คือรัฐบาลมาทําให้เรา จะคุณพูนสุขครับกับพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ให้ธรรมะให้กําลังใจกับคนที่จะต้องเข้าผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยค่ะทําอานาปานาสติอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ก็ยังมีความกังวลความทุกข์อยู่ลึกๆทุกขเวทนาไม่ทําให้เกิดสมาธิใช่ไหมคะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องของยากับหมอเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เราก็ต้องฝากความหวังไว้กับ ยากับหมอถ้าเราถ้าเรามากังวลก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรซึ่อมาทําใจให้สงบแล้วก็ปลงว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเปนเรื่องของหมอกับยาถ้ามันจะห้ก็หายถ้ามันจะตายก็ตายต้อยอมรับคามจริงไม่ช้า ก, ก็แล้วคนเราก็ต้องตายอยู่ดีหลายจากโรคนี้ไปแล้วเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็อาจจะมีโรคใหม่หรือโรคเก่าอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาอีกก็ได้ ในที่สุดก็ต้องมีพ้นความตายไปไม่ได้ยังขอให้เราพยายามยอมรับความตายให้ได้แล้วเราจะไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคำถามจากคุณจัสมินครับการทำพิธีกา ร, การครับขณะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธจนรู้สึกว่าพุทโธเร็วมากต่อเนื่องตลอดแต่เร็วมากจนรู้สึกเหนื่อยหอบเลยเปลี่ยนพุทโธทำโมสังโคแต่สักพักก็กลับมาพุทโธอีกเร็วจนเหนื่อยกลับไปกลับมาตลอดครับ ฟงร้างเดือิดไปเองครับคือการภาวนาะพุทธโธในวิชานี้ไม่เป็นการพงซ่านใดๆก็แล้วแต่ท่านหนื่อยก็ลองหยุดพุทธโธดูลองดูลอ ห, ยหายใจแทงก็ได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราพุทธโธแล้วใจเราไม่คิดเราจะชะลอมันลงก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแรงก็ได้ ถ้าเดีวนี้เรากลับกลับได้เราควบคุมมันกลับได้ถ้าเรามีสตินคําถามจากคุณธรรมดาครับกราบเทียนถามอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกต่างๆหายไปหมดแม้แต่คําบริกรรมก็หายไปด้วยควรทํายังไงต่อไปคะถ้ามันหาแล้วมันนิ่งสงบมีความสุขก็ไม่ต้องทําอะไรแสดงว่ า, าจิตได้จิตได้สมาธิแล้วแต่ถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ก็ต้องพุทโธต่อ คำ ถ, ถามจากคุณดักกี้ครับศาสตราจารยพระอาจารย์ค่กากลับเรียนถามเราจะแก้วิธีย้ำคิดย้ำทำอย่างไรคะให้เรามีการคิดการตัดสินใจให้แน่วแน่เราจะฝึกสติปัญญาอย่างไรคะเราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าเหตุผลนี่มันจะเป็นของตายตัวถ้าเราคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้จะเอาไม่เอาถ้าเอาก็จบถ้ า, าคิดแล้วไม่แน่ใจว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้หรือไม่ อย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่เป็นเหตุเป็นผลต้องคิดให้มันได้เห็นได้ผลพอมันได้เห็นได้ผลแล้วมันก็จะตัดสินใจได้ว่ า, าถ้าทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ก็ทำไปเลยหรือไม่ทําไปไหนอยังได้อย่างไ ร, องไรขอกราบพระอาจารย์อีกสักสองข้อนะครับอาจารย์ครับจากคุณพิชัยครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการไปบนบานสารกล่าวการวงสวงเป็นศีลพศปรามาตไหมครับ ว่าเป็นก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิธีการดับความทุกข์ใจอย่างแท้จริงพระโสดาวันนี้จะบอกว่าวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาของจิตใจเพราะปัญหาของจิตใจเกิดจากการทําบาปหนึ่งจากการคิดด้วยความอยากซึ่งพระโสดาบันเห็นได้ในขริยสัพ4 ก็เลยไม่ไม่ไปสมาไม่ไปทำพิธีอะไรต่างๆเพื่อเพื่อมาแก้ปัญหาของใจแาจจะไปเรื่องเรื่องงานกับเขาก็ได้ถ้าถูกบังคับเลยว่าอยู่ในสังคมเช่นคนในบ้านเขามีพิธีบวงสรวงอะไรต่างๆถึงแม้เราจะไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ลบหลู่เราต้องอยู่ในฐานะที่ราต้องไปไปไปอยู่ในงานนั้นเรก็ไป แต่ไปด้วยกิเลสแต่ไม่ได้ไปด้วยเพราะความเชื่อไปเพื่อไม่ให้เสียมารายาททาได้จากคุณฟิโอนาครับการฆ่ากิเลสคือต้องฆ่าละกิเลสปัญหาอยากที่เกิดขึ้นมาในใจกับเหตุการณ์ขึ้นไปสดสดร้อนร้อนใช่ไหมคะกราบสาธุในความเมตตาเจ้าคะ่ะใช่ต้องฆ่าแบบสดสดร้อนร้อนถ้าแค่แบบคิดนี่นเหมือนบอกว่ามันฉันไม่โลภแล้วฉันไม่อยากได้อะไรนละ้ว อย่างนี้ไม่ได้ค่าเพราะเดี๋ยวพอเห็นสิ่พอเห็นสิ่งที่ชอบก็เกิดความอยากขึ้นมาต้องหยุดตอนที่มันชอบหยุดหยุดความอยากในขณะที่มันผล่ขึ้นมาเห็นรองเท้าคู่ใหม่เห็นก็ขายอยีกแล้วโอ้ยสวยแล้วกิอยากจะได้เนี่ยก็ต้องหยุดมันทันทีว่าซื้อมาทําไมคนระับเรามีอยู่หลายคู่แล้วอย่างนี้ถึงจะหยุดก็้หยุดแบบสดุดชนทนรอ น, น, อ, นอาจารย์อีกสักข้อขครับคำถามที่ผมอยากรู้ด้วยครับ แต่คุณไปตองครับคําว่านานาสังวาสคืออะไรครับอาจารย์คือการอยู่ต่างต่างต่างครอบครัวอย่างนี้ดีวกว่าสังวาสก็เหมือนครอบครัวครับคือครอบครัวสองครอบครัวนี้จะมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันบ้านหนึ่งอาจจะกินเวีเดียวบ้านหนึ่งอาจจะกินข้าวผัดนี้เป็นต้นในเวลาถ้ามันอยู่ร่วมกันนี่เดี๋ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้ บ้านที่เครกินเข้าไปก็ อ, อยากจะกินเข้าไปแต่บ้านนี้เขาเคกินไปเดียวเขาก็ไม่อยากจะกินเข้าไป<ฆ>อันนี้หมายถึงสงที่มีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันคือการรักษาศีล ไ, ไม่เหมือนกันครับ<ฆ>เราจึงมีต่างนิกายกันนานาสังวาก็คือต่างนิการนี่คนไทยเรามีสองนิกายมานิกายกับธรรมยุทธ์เพราะการปฏิบัติบางข้อไม่เหมือนกันเป็นธรรมยุทธ์นี้ท่านไม่แต่ต้องเหมงินทอง ถ้าไม่จับต้องเงินทองถ้าไม่เข้าพา น, นเงินทองไม่เก็บก็ไม่เก็บ เ, เงินทองรับรับเงินทองได้แต่ต้องผ่านลูกศิษย์ผ่านญาญโยมคารวะญาญโยมเป็นผู้ดูแลรักษาให้แล้วถ้าต้องการซื้ออะไรต้องการของอะไรต้องให้ญาญโยมพู้รกักษาเงินนั้นเป็นผู้ไปจัดการให้ทางมาวิการนี้เขารับเงินได้ใส่ใส่ยามได้เก็บไว้ในกฎติดได้เวลาอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเองได้ซื้อบุหรี่ได้ซื้ อ, อ อะไรได้โดที่ไม่ต้องผ่านคารวะยานอยู่เรียกว่านาน า, นาสังวาส ค, ค, ความบัพพื้นความปฏิบัติไม่ไม่ไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันไม่เท่ากันกลับขอขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังธรรมด้วยกันในเฟซบุ o กแปดร้อยหกสิบสามคนครับในยูทูบหกร้อยสี่สิบสี่ในขับเท้าสิบเจดคนครับ ทั้งหมดร่วมฟังธรรมพร้อมกันหนึ่งพันห้า้อยิบสี่คนนะครับอาจารย์ครับก็เยอะในมรรธาสาทุกกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังที่ฟังธรรมกันวางมากคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิพจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, <า>อเวลาคุณหรอและท่านผู้ชมไปเพลงครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาไปเลยนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ